بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين و ل ا د ن ا إلا على الظالمين و ص ل ي و س ل م على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى د ي ن ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยังคงอยู่ในสุรทโธนุสที่มีนะาที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณค่าอัลกุรอานสำหรับมนุษย์ชาติและหนื้อหาที่ต้องการตอบโตกลุ่มมนุษย์ที่ไม่ยอมเปิดใจ รับฟังศัจธรรมที่มาจากพระพุ็นเจ้าซึ่งเป็นเนื้อหาเที่ยวโลกสุภานวตาและสนธนาธรรมกับกลุ่มนี้ทุกยุคทุกสมัยและเป็นประโยชน์แม้กระทั่งกับกลุม่มนุษย์ที่ศรัทธาในคำภีในพระดำรัสอยู่แล้วแต่เป็นการเตือนสติคนที่ศรัทธาแล้วเนี่ย พฤติกรรมของคนที่ดื้อดึงกับศัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ามันจะมีผลลัพธ์หลายอย่างซึ่งถูกระบุในสูรนี้ไปพร้อมๆ ร, รูปแบบการปฏิเสธหมายถึงอัลลอฮจะกการปฏิเสธแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลลัพธ์มีความเสียหายอย่างไร ผู้ศรัทธาก็จะได้คำเตือนในตัวก็เหมือนที่เราสุภาโนวาตาอะไรได้สร้างนรกไว้ลงทูดคนที่ทำความผิดคนที่ทำความผิดนั่นหมายรวมว่าคนที่ไม่ได้ทำความผิดเนี่ยนรกจะไม่เป็นข้อเตือนสำหรับเขาเลยหรือเป็นไปไม่ได้ a l จึงบอกว่าในอัลกุรอานน่ะ และตรนัรื่อที่อัดดัดลิกคาทริจงระวังฟนรกที่ Allah เลลตรียมไว้สําหรับคาฟรินผู้ปฏิเทธอย่ามาพูดกับผู้ศรัทธานะพูดกับผู้ศรัทธ า, าว่าระวังนรกนะนรกนี้สําหรับคนปฏิเสธศรัทธาต่างหากแต่ระวังสิระวังระวังอยา่าอย่าประพฤติเหมือนผู้ปฏิเสธเนี่ยและบั้นปายนี่ก็จะเป็นการเข้านรกที่ Allah เตรียมไว้ลลลลลลสําหรับ คนเหล่านั้นแม้กระทั่งแม้กระทั่งคุณลักษณะอันดีงามที่อัลลได้ประดับประดาผู้สัอย่างเช่นอัลมุตตะกีนอัลมุตตะกูมุตตะกีนหนึ่งในเนื้อหาในความหมายในนิยามของอัลมุตตะกีนคือผู้ที่คุ้มครองคุ้มครองตัวเองให้พ้นจากนรกหมายถึงว่าเขามี เขามีภารกิจสำคัญจะได้ได้เกิดฉายาอัลมุตตะกีนกับตัวเขาต้องเป็นคนที่ระวังระวังนรกอุมมรุบินลขอตอบได้ถามส ح า ب าท่านหนึ่งว่าอัลมุตตะกีนนี่คือใครเขาบอกว่าเขาก็ตอบท่านอมุมมบอกว่าท่านเคยไหมเดินในพื้นที่ที่มีหนามหนามเต็มไปด้วยนาม ท่านจะเดินยังไงเขาก็จะเดินด้วยความระมัดระวังไม่ให้เท้าตัวเองเนี่ยโดนน้าเขาบอกว่านี่คือสภาพของมุตตะกีนคือดําเนินชีวิตดําเนินการชีวิตด้วยความระมัดระวังมุตตะกีนข้อแตกต่างกับคนนี้ไม่ใช่มุตตะกีนก็คือไม่ระวังเดินห้างเนี่ยเห็นอะไ้อร่อย ซื้อเลยไปตรงเดินห้างอ่ะดูดูโซเชียลนี่เห็นอะไรอะไรอะไรอร่อยนี่สั่งเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ตรวจสอบว่าฮาลาไม่ฮาลาใช้ได้ไม่ได้เนี่ยไม่ระมัดระวังเข้าซูปเปอร์นี่ไปหยิบขอหยิบของเนี่ยอเห็นรถในหยิบของส่ ส, ส, ส, ส่ไม่ดูนี่มีฮาลาหมีฮาลาไปเสื้อเครื่องนุ่งหม่ม เสื้อซื้อกางเกงอะไรก็ไม่ดูไม่ระวังว่าไอเสื้อผ้าที่ซื้อมานีมน่มันใช้ได้สำหรับผู้ยมเกรงหรือเปล่าสำหรับผู้ศรัทธาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วสุรัตยูนุสนอกจากว่านอกจากว่า มีการสนทนาธรรมกับคนที่ปฏิเสธคนที่ดื้อดึงกับอุษุณียังให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ดือดด้อดึงไม่ดื้อดึงพูดถึงคนอื่นที่เขาที่เขาไม่มีปัญหากับพระดำมาไม่มีปัญหากับคำพี เขาศัทธาและกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเท่ากับอัลลอฮฺสุบฮานะละตอบใจท่านนบีซอลลัลลอฮิซซัลลัมว่าท่านไม่ต้องท่านไม่ต้องเศร้าใจนะมีคนอื่นเขาศรัทธามีคนอื่นเขายอมรับมีคนอื่นเขาเขาจะเขาจะยอมเชื่อในความจริงที่ท่านนำมาเทศนาแต่ก็ไม่ทด่พูดถึงคนเหล่านี้โดยตรง อสุรยูนุสได้มีเป้าหมายจะคุยกับกลุ่มนี้กลุม่มที่ปฏิเสธมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันนะนะมีการมีการพูดทางอ้อมๆอมถึงอีกกลุ่มหนึ่งมันก็จะทําให้ท่านนาบิอลละเลวสัลลัมรู้สึอุน่นใจระดับหนึ่งเออไม่ดีไม่ดีไม่ดีปฏิเสธกันทั้งหมดและนี่คือเริ่มต้นของอายะที่สิบสี่อายะที่สี่สิบ ขงสูรอยูนุสอด้ตระไี้ว่าว่ามิผู้มีความเชื่อในพระองค์และมีผูม่เชื่อในพระองค์อรุเบกาเมุบิลมุฟซิดินและในหมูพวกเขาพวกเขานี่คือใครทัศน์าหนึ่งบอกว่าในหมู่พวกเขานี่คือมนุษย์ทั่วไปทุกยุคทุกสมัยมีมีผู้ศรัทธาในอัลกุรอาน และในหมู่พวกเขาในหมู่มนุษย์นี่นะทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมีผู้ไม่ศรัทธามีผู้ศรัทธาแล้วก็มีผู้ะะมไม่ศรัทธาทุกยุคทุกสมัยด้วยนะนั่นหะมายรวมว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ท่านนบีกาลังเทศนาอยู่นี่นะมีคนที่ศรัทธาอาจจะเป็นคนที่ศรัทธาโดยที่ท่านนบีไม่รู้แต่ Allah alk, บอกปลอบใจัยไม่ตงไม่ตงมีคนเขาศรัทธาอยู่แต่เขาอาจจะไม่เปิดตัวก็ได้ ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงถึงขนาดที่นบีอัยกุรอไปมาดินะก็ยังมีคนที่ศรัทธาต่อท่านนาบีและก็ยังไม่เผยไม่กล้าเผยตัวดูดิความกดดันในยุคนั้นมันขนาดไหนดูดิความความเผด็จการที่จะทาให้มนุษย์ไม่สามารถเผยความเชื่อของตัวเองเพราะเกรงเกรงกลัวว่าจะถูกทำร้าย ทำลายร่างกายถูกทำลายหรือเสียผลประโยชน์มันช่างชีวิตที่บัดซบเหลือเกินสำหรับสังคมที่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอิสลามนี่ไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นภายใต้อันนัดของอิสลามอิสลามนี่จะให้ใครอยู่แต่นอกอิสลามนี่จะไม่บังคับนะมีความเชื่ออะไรของตัวเองนี่ก็เชื่อไปดิไม่บังคับและอาฮิดีนแต่สาหรับ มุสลิมโดยเฉพาะในยุคท่านบีสุลต่านเลวสัลลัมเนี่ยในว่าท่านบีได้เผยสัจธรรมของพระเจ้าแล้วนี่นะเพียงให้คนเรียกร้องเชิญชวนให้คนเนี่ยมาเชื่อในสัในในสัจธรรมของ Allah เนี่ยบางคนยังไม่กล้าเลยหรือที่ Allah ได้บอกว่ามิหนุมมายุมินูบิกะว่มิหนุมายุมินูบิฮีมีผู้ศรัทธาในกุษานนี้ก็หมายถึงว่า ศรัทธาโดยเปิดเผยก็คือคนที่มาสัาสตยบัญมาแสดงความจำนวนแล้วว่าเขาจะเป็นมุสลิมว่านี่นี่ศรัทธาแล้วพวกนี้เนี่ยเพียงพอแล้วท่านไม่ต้องเศร้าใจสำหรับคนที่ปฏิเสธศรัทธาถึงแม้ว่าเป็นเป็นกลุ่มส่วนมากอาจจะเป็นความหมายนี้ก็ได้ อัมินหุ่มอมอบมมลมนบลน่มวกเขานี่มีผูสัทธาในอัลกุรอานบิฮีสัทธาในกุรอานคำว่าในกุรอานนี้นะอันนี้เขาอธิบายสันามบิฮีอธิบายสัพนามแต่มีบางทศนาที่บอกว่าสัทธาบิฮีสัทธาในตัวท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยซูละไม่ใช่กุรอานนะมีกลุ่มหนึ่งที่สัทธาในนบีแลวก็มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่สัทธาในนบีซึ่งโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยสัทธาในกุรอานนสัทธ ในนบีเนี่ยมันก็เป็นคดีเดียวกันมันก็เป็นเรื่องเป็นเนื้อหาเดียวกันอามินฮุมมั ล, ลายุมินุบีและในหมู่พวกเขามีผู้ไม่ศรัทธานี่นี่คือการแบ่งประเภทมนุษย์ในโลกนี้โดยรวมนะมีสองกลุม่มด้วยความเชื่อมีสองกลุ่มมีผู้ที่ศรัทธาและมีผู้ที่ปฏิเสธศทธา และสองกลุ่มนี้เป็นสองกลุ่มที่มีเนื้อหาหลักๆที่เราต้องเอามาใช้เป็นมาตรฐานแบ่งแยกหมายถึงว่าในการแบ่งแยกสังคมในเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความเชื่อในเรื่องการปฏิบัติก็ต้องมีเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องศรัทธาแล้วก็ไม่ศรัทธาเรื่องสีผิวไม่เกี่ยวคนผิวขาวกับคนผิวดํา จะเอามาแบ่งแบ่งสังคมว่าอ๋อเหมือนเหมือนที่พวกผิวขาวไปยึดประเทศแอฟริกาไปพร้อมอาวุธและเมชเนรี่ก็คือนักเผยแผ่ศา ส, สนาคริสต์ยึดประเทศเขาอย่างประเทศซาท์อฟริกาไปยึดประเทศเขายึดทรัพยากรเขาแต่ในขณะเดยียวกันนะนะเราก็โจมไปปุ่นชาวบ้านนะ แล้วก็ยังเอาศิลธรรมนี่มาเชิญชวนผมก็นี่นนไ ม, ไม่ไม่ต้องกลัวนะฉันฉันฉันป้นแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ฉันยังมีของขวัญมาให้ด้วยนะฉันมีพระเยซูนะมาเผยพร่สัจธคริสคนผิวดำคนอฟริกาเนี่เขาก็บางคนก็หลงเชือ่อโอ้นี่ใจดีเหลือเกินเราเราบูชาบูชาจเวทบูชาอะไรที่มันไม่ได้เรื่องเขาเอาสัจธรรมแสงสว่างมาให้เราเนี่ยเขาก็ศรัทธากัน เขาก็เชื่อแต่พอมาเชื่อแล้วนี่เรามาเชื่อพระเจ้าเดียวกันความเชื่อเดียวกันใช่ไหมเราก็มาอยู่ในศาสนสถานเดียวกันสิเข้าบทด้วยกันมามาม า, ม า, ม, ามาสวดด้วยกันไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะมีโบทสําหรับคนผิวดําแล้วก็มีโบทสําหรับผิวขาวแบ่งแยก ศา ส, สนานเนี่ยก็นี่ความเชื่อเดียวกันแต่ไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้อย่าว่าศาสนาสถานน่ะนะถนนนะ่ะถ้าคนผิวขาวเนี่ยเดินบนฟุตบาทนี่คนผิวดาเนี่ยก็ต้องลงต้องแอ บ, บลงลองคิดดูสิถ้าบ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะแต่ยิงมันก็เกิดแล้วนะบางส่วนไม่อยากพูดเดี๋เดี๋ยวยาว แบ่งแยกด้วยศักดินาหรือฐานะด้านการเงินอะไรแบบนี้อันนี้ก็มีไม่ได้เป็นการแบ่งแยกสังคมด้วยเหตุผลทางศีลธรรมทั้งนี้ที่สังที่อิสลามเนี่บอกว่าแบ่งแยกสังคมเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกเชิงดูถูกหรือทําร้ายคนอื่นแม้กระทั่งทาร้ายความรู้สึกก็ไม่ใช่ หมายถึงว่าให้สังคมเนี่ยได้รู้เนี่ยเขาเป็นใครเราเป็นใครนี่นะไอ้เขากับเราเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่ายุทธศาสตร์รู้เขารู้เราเนี่ยไอ้รู้เราเนี่ยสําหรับผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีขอบเขตไม่ต้องไม่ต้องมีอนาเขตหลังบอกกับพี่น้องว่าในกลุ่มผู้ศรัทธาเนี่ยด้วยกันนะไม่ควรที่จะมีการแบ่งแยกผู้ศรัทธาอันนี้กลุ่มหนึ่งนี่พอแล้วบอกกับ มีกลุ่มนึงที่ศรัทธาแลกลุ่มนึ่งไม่ศรัทธาใช่แต่พอมาดูนี่กลุ่มที่ศรัทธาในกาศรัทธาในท่านนาบีนี่โอโ้โหเยอะแยะเลเกยอะแยะเลนันนี้เก่าอันนี้ใหม่อันนี้ใช่หรออันอนี้สลัฟอันนี้ขวานอันนี้ไม่ใช่ขวานอันนี้สุนนะอันนี้สุนนะจา๋า อันนี้สุนนต์เหอันนี้สุนนตเทียมอันนี้สลอันนี้สลับทกคือถ้าถ้าเราแบบว่าแบ่งแบบนี้แล้วก็แล้วก็ยังยังมีอาไทอาศัยดีด้วยกันนะนะคือหมายถึงว่าเจอกันสลามกันยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็ยังพอพอรับได้พอแต่อันนี้มั น, มนไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการแบ่งแยกสังคมโดยไม่มีเหตุผลเลยอะโดยมีเหตุผลเลย ไปเจอเจ้านายที่ทํางานอยู่อีกฝั่งหนึงฝังมัลลายุมินูบีอยู่ฝั่งที่มัลลายวันนี้ก็บีแถบจะรูกวัวแล้วลเนี่ยแต่เวลาจะอีกคนฝังผู้ศรัทธานี่กันนะทําไมไม่สลมัมเหฮ้ยพวกบิดาเราสลามไม่ได้เราต้องหน้าบึ้งกับมัน <laughs> <laughs> อันนี้ไม่มีเหตุลเลย สอดคล้องกับอายะที่อัลลอฮ์พูดไว้ในสุร ون, าอัลตักาบุนหัวละวี خلق ุคพระองค์สร้างพวกเจ้าค خلق ุมพระองค์สร้างพวกเจ้าโอมนุษย์แฟมิงกุม ก, า, นนมกนะาฟิร์ค น, คมมนึงส่วนนึงในในหมู่พวกท่านนี่นะเป็นกาฟิร์แฟมิงกุมมหมินส่วนนึงในหมู่พวกท่านนี่ก็เป็นมุหมินก็มีกาฟิรกับมุหมินเท่านะั้นอันนี้นี่คือการแบ่งสังคมแบ่งสำหรับมุสลิมหมายถึงว่าเราจะรู้ว่าใครเป็นเขาใครเป็นเรานี่นะอันนี้แบ่งแค่นี้ ดังนั้นจะมาจะสมมติมาเจอพี่น้องของเราเขามีความเชื่อที่แตกต่างกันเรานิดนึงที่มันไม่ใช่เรื่ อ, องหลักกันนะหมายถึงว่าเราไปเจอพี่น้องมุสลิมเราเขาเขารุกลุกอิมานก็ก็หกลุกุ่มเหมือนกันนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าอ๋อฉันเชื่อห้ารุกุ่มแล้วก็อัครรนยังยังกำลังอิสยาคอรออยู่ยังไม่ไม่ช่วนไม่ก็หกลุกุ่มเหมือนกันนี่แหละเสียเท่ารุกุ่มนะนะแต่เขาไม่เรื่องหนึ่งเขาไม่ตรงกับเรา อ๋อละหมาดกันคนละสูุราวกันเลยหรือไม่ไม่ต้องไม่ต้องว่าแล้วบางทีเนี่ยมาละหมาดมาละหมาดติ ด, ต, ดติดกันเนหะมือนรู้สึกอะไรคนลุกอะไรสักอย่างหนึง่งนะนนะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถ้าเราได้ถ้าเราเชื่อจริงๆว่ากุดอ่านเนี่ยเป็นฮิเดยะเป็นทางนําจริงๆนะอันนะอายะนี้กําลังบอกว่าเรื่องอื่นเนย่าทำให้แบ่งแยกได้ไหมอ๋อ มันทำใจไม่ได้พวกนี้นี่มันมันไม่เป็นไรถ้าได้ซึมซับอะไรมามีอาจารย์คนไหนนี่ซึมซับบอกอะไรมาทําให้เราเนี่เกียรติชังกลุ่มนี้เนี่ยขอให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวได้ไหมเป็นเรื่องเป็นเรื่องเก็บไว้เก็บไว้ในใจได้ไหมแต่พฤติกรรมภายนอกเรื่องหัวลแล้วแล้วก็บบอระเนี่ยให้มัน ม, มีเรื่องการรักใคร่หรือเกียรติชังเนี่ยให้มีเหตุผลเกี่ยวกับ ทางนำนี้ที่กุรอานได้บอกไว้ตรงนี้ได้ไหมอุมมะของเราเนี่ยจะได้จะได้ฟื้นฟูคุณสมบัติของความเป็นความเป็นอุมมะเสียทีอาในเมื่อเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราให้หลักศรัทธาบางอย่างที่มันเป็นข้อวินิจฉัยของผู้รู้เนี่ย มีความเป็นรุกุลเป็นเสาหลักของความศรัทธามากกว่าหลักศรัทธาที่ที่อัลลอ์ได้บอกไว้ที่ท่านนาบีได้กำหนดไว้เนี่ยเท่ากับเรากำลังบิดเบือนบิดเบือนเหตุผลที่เลาสุภานวดาละต้องการให้เราได้มีได้มีเอกภาพด้วยกันอัลลอ์และนบีไม่รู้หรือว่าในหลักการนมันจะมีเรื่องเยอะแยะมีเรื่อง ชัดไม่ชัดเดิงตีความไม่ตีความว่าเราไม่ีแต่ทําไมาอัลลอฮฺเจาะจงว่าอีหมานุกุลนี่มันต้องแค่หกุลกุลล่ะมันต้องคือมันต้องตั้งคําถามสักคําถามหนึ่งว่าทําไมต้องหกละ่ะทําไมไม่สักหกทำไมไม่หกร้อยอ่ะเป็นเหตุผลไหมทําไมไม่หกร้อยอะกับเพราะอัลลอฮฺต้องการให้มันหก แล้วเราต้องยึดให้มันเป็นแค่หกรุกลุ่นเอารุกลุ่นจะแปลว่าเสาไงเสาเสาหลักของความเป็นผู้ศรัทธาความเป็นมุสลิมมันมีแค่นี้ถ้ามีเรื่องอื่นอ๋อถ้าเขาไม่ไว้เขนะ่ะเนี่ยแสดงว่าไม่มีความเป็นผู้ศรัทธาไม่ไว้เขา่าไม่พกสาลบันไม่ใส่ต๊บแม่อะไรเนี่ยใครบอกว่านี่เป็นรุกุ่นใช่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอีหมั่นก็ได้อาจเป็นส่วนหนึง่ง ของ إيمان ก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นรูปุณแน่นอนแน่นอนเพราะสมัยท่านนบีนบีก็ใส่ใส่สรบันนบีก็ใส่โต๊บนะแต่นบีไม่ได้บอกว่รูปุณอิมานเนี่ยลืมนะใส่ต๊บมะแมงอย่าลืมใส่โต๊บมะแมงั้นปกองเองเนี่ยไม่เชพดบูสะตาเปล่าเลยคือเรื่องมันมีไงแต่ทําไมไม่บรรจุไว้ล่ะ สังเกตดูในท้ายอญญายานนี้อัลลอฮ์บอกว่าร บ, บุกะอัลและมูบิลมุฟสิดีนและพระเจ้าของพระเจ้าของพวกเจ้านี่ทรงรู้ดียิ่งต่อบรรดาผู้บ่นทําลายทั้งหลายบ่นทําลายทั้งหลายบ่นทําลายก็คือผู้ที่ไม่ศรัทธาผู้ที่ไม่ศรัทธานี่ในใสายตาของอัลลอฮ์นี่เป็นผู้บ่นทําลาย ในมุมหนึ่งสามารถอธิบายได้ว่าอา๋อทำไมอลัลลอ์มองคนนี้ไม่ศรัทธาว่าบ่นทำลายด้วยเหตุผลว่าคำสั่งสอนของพระเจ้าทั้งหมดย่อมเป็นคำสั่งสอนที่อลัลลอ์ต้องการให้เกิดประโยชน์กับหมู่มนุษย์ทั้งหลายและถ้าคนนี้ไม่คนที่ฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังในคำสั่งสอนของอลัลลอ์เนี่ยสวนทางคำสั่งสอนก็เท่ากับไม่ต้องการให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับหมู่มนุษย์ คนนี้ไม่ต้องการให้ประโยชน์เกิดขึ้นก็คือคนนี้บ่นทำลายบ่นทำลายบนผืนแผ่นดินความศรัทธาอย่างที่บอกนะมีหลักศรัทธานอย่างรุกุญอิหมานี่เสาหลักของอีหมานี่ถ้าไม่ศรัทธามันบ่นทำลายตรงไหนล่ะยกตัวอย่างไม่ไม่ศรัทธาในมาลายกาย อะบังทำลายตรงไหนอ่ะไม่เลยครับมันอยู่นูน่นอยู่ฝากฟ้านู่นน่ะเรคาคุณ إ ي م า ن คือบางอย่างนี้ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าศึกษาเรื่องอะกิดาเนี่บางอย่างในศึกษาเรื่องอะกิดาเนี่ยเราต้องศึกษาให้รอบคอบให้ลึกซึ้งมิฉะนั้นพอเกิดคําถามแล้วเนี่ยมันมันอาจจะทําลายความเชื่อมั่นของเราโดยไม่รู้สึกตัว ไม่เชื่อในมาเลก็มันเสียหาตรงไหนอ <c oughs> อย่างที่บอกกับพี่น้องว่าสําหรับผู้ศรัทธาเราเชื่อในสิ่งที่เร้นลับทั้งหลายนะรวมคือในเมื่อเชื่อในสิ่งเร้นลับเนี่ยเราต้องเชื่อในผลลัพธ์ของมันด้วยแต่สําหรับคนนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งเร้นลับไม่เชื่อในมาเลยก็ ผลรับของมาเลกา้าเขาก็จะเขาก็าาไม่เชื่ออยู่ดีก็ตัวมาเลกา้าเขาไม่เชื่อผลงานของมาเลกา้ากับเราเนี่ยเขาจะเชื่อได้ไงแต่ผู้ศรัทานี่เชื่อไม่เฉพาะอายะหรฮะดิษบทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องมาเลก้าว่ามีตัวตนไม่รวมทั้งหมดเลยตัวบททั้งหลายที่เราพูดถึงบทบาทของมาเลกา้าในการคุ้มครองมนุษย์ในการดูแลมนุษย์ในการกระซิบมนุษย์ให้ทําความดี เหอนเตตอ น, นี้กระิบให้เราทาความชัว่วมีมาเลายก้าที่พยายามจูงใจให้เราได้ทําความดีบทบาทของมาเลายกะในชีวิตผู้ศรัทธานี่มีมากมายรวมถึงผลลัพธ์ของการเชื่อในมาเลายกา้านี่อาการเชื่อมาเลายก์ก้าจะทําให้เรานี่ได้ครอบครองหลักศรัทธาเสาเสาอ ي ม ا ن หนึน่งต้นและจะทำให้เรานี่มีความเป็นผู้ศรัทธา ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุผลถ้าเราได้ครอบครองเสาหลักของอ إ ي م ا นทั้งหมดเนี่ยเราจะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แล้วจะได้ผลประโยชน์จากการเชื่อนี่ทั้งหมดนี่นะมาลากากลุ่มหนึ่งที่จะขอดูอาให้ผู้ศรัทธาไม่ใช่มาลากาธรรมดาแนะอย่างที่เขาอธิบายเนี่ ม, ม, ม, มาาันมันเราอ้าล้วมาลากาแกนนาเช่นมาลากาที่แบกบอลลังของอัลลอฮ์เนี่ยกูรูบิยุน ก็จะขอดูอาให้เราตลอดขอดูอาให้อล่ออภัยโทษกับเราขอดูอาเราคุ้มครองเราให้ให้ห่างจากความชั่วทั้งหลาย الذي ن ح م و ن عرش ر و ه ي س ب <ؤ> ح ن ب ح م ربي ويسكفرون الذين ل و ا ر ب ا كل شيء ر ح م ت ل م ر ن ا ف ا ر ا ل ذ و ا التبع سبيلك وقيهم عذاب ا ل ح ي م สรุปทั้งหมดมาเลย์กะขอดูอาให้เรานี่นี่ผลลัพธ์ คนที่ไม่ศรัทธาคนที่ปฏิเสธศรัทธาบ่นทำลายตัวเองและคนอื่นด้วยการงดประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการจากการงดคุณสมบัติของความเป็นอุปสรราจบเลยมล า, ายกาอันนี้คยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะศรัทธาในมลาลกานี่มันจะมีความเสียหายขนาดไหน รวมถึงคำสั่งสอนอื่นๆด้วยวห้ามไม่ให้กินรังนี่คำสั่งต้นต้นของของคำสั่งนี้ต้องเชื่องเราห้ามกินล้งห้ามเสพสิ่งเสพติดถ้าเราไม่ศรัทธาไม่เชื่อและไม่ปฏิบัติละ่ะความเสียหายเป็นยังไงไม่ต้องอธิบายห้ามไม่ให้เล่นการพนันไม่เชื่อไม่ปฏิบัติ เล่นการพนันความเสียหายยังไงไม่ต้องอธิบายอัลลอฮฺจริงตมิบุคคลตรงข้ามที่ไม่ศรัทธานี่ว่าเขามีว่าเขามีลักษณะมุฟซิดีนลักษณะอิฟซาดนี่เป็นคนที่บ่อนทาลายนี่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ศรัทธาและถ้าหาว่าผู้ปฏิสัทธานี่โดยรวมเนี่ย เป็นมุฟดินเป็นคนที่บ่อนทําลายนี่ก็แสดงว่าคนที่ศรัทธานี่นะคนที่ศรัทธานสมควรที่จะเป็นคนที่ไม่บ่อนทําลายอันนี้เป็นสมการโอเคไหมไม่เส้นนะผู้ศรัทธาบ่นทําลายผู้ไม่ศรัทธาไม่ทําลายแต่มันเป็นเช่นนั้นไหมเป็นเช่นนั้นไหมมันไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไร เนี่ยที่ตรงตรงคุยนัหละคุยเยอะอรลลอก็อัลเะมบิลมุฟสิดีนองพระผู้พิบัตของเจ้านี่พระเจ้าของเจ้านี่ทรงรู้ดียิ่งต่อบรรดาผู้บ่อนทําลายทั้งหลายตอนที่อุลามะได้อธิบายอิดินอัลซุรอตุลมุสติกีมอัลลอฮฺได้โปรดให้ทางนำกับพวกเราทางนํำพิเที่ยงตรม สิร่าั้งเหล่านี้นั้นนำไปอ้างอิงแนวทางของคนที่พระองค์โปรดปรานต่อพวกเขาไอริลมักดูบปอ้างอิงม่ใช่แนวทางผู้ที่ถูกกลิ้ววนัดดอลลีนและมิใช่แนวทางผู้ที่หลงผิดและท่านนบีได้บอกว่าผู้ที่ถูกกลิ้วยะฮุดและผู้ที่หลงผิดก็คือนาซรอผู้ที่ไม่ชยะฮุดและนาซระก็คือผู้ที่อ้างอ้างไปอ้างอิมผู้ที่พระองค์โปรดปรานต่อพวกเขา แต่มีข้อแม้ว่าเขาจะได้ไม่ไม่ใช่กลุ่มยิวฮุตแล้วก็ไม่ใช่นาซรอนี่ก็จะต้องไม่มีความประพฤติของยิวฮูตและนาซรอนอันนี้อุลามะเวลาเข้อธิบายนี่เขาบอกว่าแต่มันก็ต้องยอมรับว่าในคนที่ไม่ใช่ยิวฮุตและไม่ใช่นาซรอนี่นะก็มีพฤติกรรมของยิวฮุตและนาซรอโดยเฉพาะโดยเฉพาะ คนที่มีความรู้เพราะในกุรานี่ส่วนมากเนี่ยอัลลอฮตําหน่ยะฮูดแลาะนัสรระดับบัตรหลวงระดับผู้รู้ระดับประดเพราะคนเหล่านั้นนี่ยที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยลงไปด้วยอิมามอัลชาบีอามริบินชาระฮีลนบนยุกเตบัยตับัยี่เขบอกว่าผู้รู้ทุกคน ที่รู้และไม่ปฏิบัติรู้และไม่ปฏิบัติมีลักษณะเยี่ยงยิวุดและผู้รู้คือคนนี้มีความรู้ศึกษาแต่ไม่ยอมศึกษาให้ครบถ้วนจนทําให้หลงมีลักษณะเยี่ยงไคโนโซร์เพาราะนโซร์นี่ไม่ยอมศึกษาให้ครบถ้วน นสอรไม่ยอมศึกษาคำพีให้ครบถ้วนจะได้รู้ข้อเท็จจริงไม่ยอมศึกษาข้อมูลอย่างเช่นเรื่องเรื่องการตรึงบนแมกนเยนของท่านนาบีซ่าไม่ยอมค้นหาข้อมูลให้ครบถ้วนทำให้เขานี่หลงเยฮูนี่รู้รู้แหละรู้หมดเลยรู้แม้กระที่แม้กระทั่ง แม้ต่นับมุฮัมมัดนนนบีที่อยาดูนั้นเขกเขียนไว้ในหนังสือตัวอักษรและอินเียนี้นักบุญที่เคารพและเคารพนับถือเขาอยากรู้จักเาไหมอยกรู้จักนบียิ่งกรู้จักลุกหมายถึงว่าคนเรานี่ถ้าลูกเรานี่อยู่กับเด็กๆเนี่เป็นพันคนนี่นะเราก็สามารถชี้ได้นี่ลูกฉันอยู่เขาบอกว่านี่ขนาดถ้านบีมุฮัมมัดเนี่อยู่อยู่ในหมู่มนุษย์เนี่เป็นพันคนนะนะเขาสามารถ ที่ได้วันนี้นี่คือมุฮัมมัดโดยที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะเพราะลักษณะที่เขาศึกษาในคมภีร์เนี่ยบอกบอกถึงคุณลักษณะของท่านนบีอย่างชัดเจนทั้งที่รู้นะรู้นะแต่ไม่ศรัทธาจึงถูกคริวฉะนั้นในในกลุ่มผู้ศรัทธานี่จะมีคนที่ศรัทธาผู้ศรัทธานิศรัทธาแหละ แตจะมีพฤติกรมรมพฤติกรรมเยี่ยงพฤติกรรมของคนที่ไม่ศรัทธาแล้วจะมีพฤติกรรมเยี่ยงคนที่ไม่ศรัทธานี่ก็อาจจะได้ฉายาเป็นมุฟซิดีนอ๋อเป็นมุฟซิดีนแต่เขาไม่ได้เป็นผู้บริสัทธาใช่มีพฤติกรรมเยี่ยงผู้บริสัทธาน้อยก็จะมีฉายาว่าเป็นมุฟสิดีน เปอร์เซ็นต์น้อยอและยิ่งมีพฤติกรรมเยอะก็จะเป็นมุฟิดินเปอร์เซ็นต์เยอะจนกระทั่งมันเลยหามันป๊บขึ้นเลยเนี่ยไอที่เป็นผู้สัทธาน่ะไอบังมัดชื่อบางเฮมอะไรพวกเนี้ยนะพฤติกรรมบตจน90อาจจะ 95% ้าปจนถึงขั้นที่ไม่เหลือละ ไปไปตั้งชื่ออะไรยางอื่นดีกว่าบางอย่างนี้ก็อาจจะไม่ต้องไม่ตงถึงขั้นเก้าสบ้าปซตก็ได้บางอย่างอาจจะเป็นระดับเสาหลักของอีหมานเาสาหลักของอีหมานเช่นอันนี้บ้านเรานีมีเหมือนกันนะฟังรายการวิทยุนานแล้วหลายปีแล้ว แต่ทุกระยะนี่มันก็จะเห็นอะไรคล้ายๆมันนะนมัสักการหลวงพ่อที่รายการวิทยุของพระนะนมัสาการหลวงพ่อวันไงโยมนี่นหนูเป็นเป็นคนแถวนี้นะแถวย่านที่มีมุสลิมเยอะมีปัญหาอย่างนี้นี่ขอให้ให้หลวงพ่อช่วยช่วยอะไรนะนโมธนาเลยนะ อนุโมทนาเนี่ยดุอาเนีดุอาเนาียอ๋อโยมแลเขาก็อนุโมทนาเขาก็ให้เสรส็จเสร็จแล้วนะอา่าญาติโยมญาติโยมของหลวงพ่อนี่ก็มีนะอิสลามก็เยอะเหมือนกันนะอัสสลามอะเลยกม์หมายถึงว่าเขาก็ไม่มีเขาไม่ปิดกั้นนะทุกคนที่สายสนิกไหนเนี่ยเขาก็เขาก็มาติดต่อมาได้อันนี้ยังเบานะ ถ้ไอ้ที่พาลูกไปนี่แล้วก็ให้หลวงพ่อนี่พรมพรมน้าให้เนี่ยบรการให้นี่อันนี้อันนี้ยิ่งแล้วอีกยิ่งกว่านี้นะไอ้ที่ไปแล้วก็ไปนมัสการแล้วกราบเลยเนี่ยอันนี้เคยเห็นไ่มเคยเห็นไหมมีเหมือนกันในบ้านเราก็มีอันนี้พกลับแล้วนี่วันศุกร์ไปละหมันกันนะไมยังยังไม่ยังไม่ไมีปัญ แต่มันมันไม่ไหวอ่ะคือจะหลุดแล้วจะเข้าจะหลุดจะออกแล้วจะเข้ามันมันไม่ไหวไงมันมันไม่ไม่ไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วก็บางทีเนี่ยมันดูเหมือนบางคนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเสน่ห์โอ้ผมไม่มีปัญหากับศเสน่ผมไปได้หมดไปได้หมดเนี่ยหมายถึงว่าเข้าหมดเนี่ยโบสถ์ก็เข้าวัดก็เข้าสู่เหาก็เข้าสังคมตอนนี้เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเสน่ห์ด้วยนะ มันเป็นเรื่องดูดีอะแ้ามันไม่ใช่ไงหลักศาสนาทุกศาสนานี่ผมเคยฟังรายการพระเหมือนกันนะนะอย่าว่าผมเลยนะมันเป็นเรื่องการศึกษาไม่ใช่อะไระมีคนหนึ่งโทรมาถามอาจารย์พระอาจารย์ท่านหนึ่งเพราว่าผมนี่เฮ้ยหมดเลยนะมนมีหมดเลยของฮินดูของขอ ง, ของซิกของอะไรนี่มีของจีนของอมีหมดเลย บอกวาไม่ได้นะโยมโยมนี่ต้องมีพระพุทธเจ้าองเดียวอยู่ในหัวใจยอยู่ในศรีระของเจ้าไม่งั้นอะโยมก็ไม่ใช่พุทธมามั ก, กะแล้วก็หมายถึงว่าเป็นมุตตัดน่ะนะนะแต่เขาไม่ได้ใช้คำนี้นะโยมโยมต้องต้องชัดเจนนะโยมจะมาเอาอะไรมาแขวนแล้วไม่เป็นนะความเป็นพุทธมามั ก, กะนี่จะต้อง ยึดในพระพุทธเจ้ายึดในในพระพุทธเจ้านี่เป็นครูเป็นเป็นแสงสว่างเดียวในชีวิตก็มีคำสสอนอะไรแบบนี้เหมือนกันนะแสงสว่างต้องมีแหล่งศรัทธาเดียวจะมาเยอะแยะอะไรนี่ไม่ได้เขาทุกศาสนานี่ถ้าแบบแฟงแลทุกศาสนาเขาก็มีแบบนี้เนละมีขอบเขตมีขอบเขตแล้วใครที่เลยขอบเขตนี่ก็คือออกกรอบออกนอกกรอบไปแล้ว มนเป็นเรื่อธรรมดาแต่สังคมสังคมสากลอยันไม่ใช่น่ยมันเป็นเสน่ห์ไงโอ้ฉันผมไม่มีปัญหาผมได้หมดใดหมดมก็ไม่มีขอบเขตมันเป็นเรื่องที่ต้องทําให้เราระวังตัวเองสําหรับเราว่านี้นี้ด้านติบบียะดานันขัดข้าวตัวเองนะสําหรับเราเนี่ยเราต้องระวังว่าความบกพร่องในความศรัทธาแม้ว่าจะเป็นเรื่องเสาหลัก หรือเป็นเรื่องย่อยเรื่องย่อยมม้ก็เงเรื่องปฏิบัตินะ่ะเรื่องละมารเรื่องซุนนะเรื่องอะไรต่างๆนีบกพร่องแค่ไหนเนี่ยเราจะมีส่วนหนึ่งของความเป็นมุฟซิดีนเป็นคนที่บ่นทำลายนี่นี่เราต้องมาตรวจสอบตัวอย่างในเรื่องนี้ให้ดีอยายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่น่ากลัวมากเพราะอิฟเซนในการบ่นทาลายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเห็นเลือดสาดเห็น อะไรที่มันถูกทำลายเห็นอะไรที่มันพังยับจะได้โอ้โหนี่บ่นทำลายไม่ใช่ความเสียหายการบ่นทำลายบนผืนแผ่นดินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความเสียหายที่มันเป็นรูปธรรมความจำเริญความสิริมงคลความเมตตา สิ่งเหล่านี้ถ้าถูกยึดไปนี่นะชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่าร้อยเหมือนกันนะเราอาจจะไม่เราอาจจะอยู่ในห้องแอร์ก็ได้แต่นอนไม่หลับเร า, า จ, จะกําลังเล่นเกมแต่เครียดอยู่เครียดอยู่ใช่ไหมจะรุนแรงว่าเครียดเพราะถ้าไม่ในในเกมนี่ไม่ชนะนี่เคลี้งเลยเราอาจจะกำลังกินอาหารอร่อย แต่ไม่ไม่รู้สึกในรสชาติความอร่อเอร่อยก็ได้เห็นไหมผมก็บางบางอย่างนี่มันไม่ต้องไม่ต้องเห็นมันเป็นรูปธปรรมแต่มันชีวิตเนี่ยมันไม่ไม่เป็นสุขไม่มีไม่มีความสมบูรณ์ไม่มีไม่มีอรรถเลยในฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราจะมองตัวเราว่าส่วน จะเป็นส่วนน้อยกระามของความไม่ศรัทธาหรือความไม่สมบูรณ์ของความศรัทธาหรือความปฏิการปฏิบัติที่ไม่สมบูรณ์ในหลักศรัทธาต่างๆหรือคำสั่งสอนต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นมุฟซิดีนเป็นผู้บอนทำลายแต่ในขณะเดียวกันฝั่งตรงข้าวยังไเราจะมองคนอื่นนะเราจะไม่มองเหมือนตอนมอ ง, มองเราต้องมองตัวเราด้วยสายตา โดยสายตาโดยสายตาของของคนที่กําลังจับผิดเป็นเรื่องสําคัญมองตัวเองอ่ะนะเหมือนสายตาของคนที่กําลังจับคนที่จับผิดยังไงขอให้ขอให้หอกกระล่มนิดหนึ่งนะเนี่ะเสร็จกูแนะ่ขอให้มีสุดนิดนึงอนะ่ะเดี๋ยวโดนเล่นงานแนะ่นั่นเราต้องเป็นแบบนั้นกับตัวเรา แต่ก็คนอื่นนะนะต้องเป็นคนที่แบบว่ามองไม่ค่อยเห็นนะ่ะ mm hmm. เวลาถึงจะวิจารณ์คนอื่นอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่บ่นทาลายไม่บ่นทำลายเราต้องพยายามที่จะหาเหตุผลให้เขาเนี่ยให้มากที่สุดจนกว่าจะปักปัามเขาหรือจะกล่าวหาเขาหรือจะให้คะแนนเขาหรือหมายหัวเขาเนี่ยว่าเป็นคนที่บ่นทาลายกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องต้องราว่า อย่าทําเป็นเหมือนสตงอตรวจซะหมดเลยทรววทั้งประเทศเลยแต่พอตัวเองอ่ะตรวจไม่ได้มันยังไม่เจออแต่ก็แล้วผมเพิ่งรู้ว่าสตงอนี่มีแพะ ม, มีแต่แพะคนบ่อนทําลายเนี่ยเขาจะกลัวคนรู้เขาเนี่ยเป็นมุฟสิดินเขา ไอ้ น, นี่เป็นมุซีเป็นเป็นคนที่สร้างความเสียหายคนกลัวว่าเราจะถูกหมายหัวว่าเป็นโจรเป็นมาเฟียคนไม่ชอบนงถูกกล่าวหาฉายาที่ไม่ดีเนี่ยไม่ชอบไงเอาสมมุติว่าเราหล่อในในสังคมเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเรามาเฟียแต่เรารู้ถ้าไม่ใี่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงไงนะเขา เขาไม่แค่หรที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขาต้องหล่อในสังคมต้องหล่อที่สุดตรงตรงเรียบร้อยต้องขาวสะอาดแต่ในสายตาของเราเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเขาไม่แค่แต่สําหรับผู้ศรัทธาที่ได้จริงเนี่ยไม่ใช่ไงคนในสังคมเนี่ยเขาไม่แค่หรอกสายตาคนในสังคมพ่ออะไรอ่ะอัลลอฮฺอัลลบุกอา่านแล้วเพราะอัลลอฮฺรู้ยิง่งรู้ดียิง่ง ไม่ต้องไม่ต้องตำรวจไม่ต้องรู้อายการไม่ต้องรู้สารไม่ต้องรู้ไม่ต้องมีไอพวกปรกะมงก็กรปอสกป๋ออะไรทั้งหลายนี่ช่างช่างเข้าไปที่สําคัญนี่พระเจ้าของเราเนี่ยมองเราว่าเป็นคนอะเป็นคนดีไหมเป็นคนคนสะอาดไหมเป็นคนขาวไหมเป็นคนที่มาโปรดปรานไม่เป็นคนที่มา <im combien> ให้อภยัยโทษไม่นี่สาคัญที่สุดอ่าเลมู รู้ได้ยิ่งรู้กับทุกองค์กรรู้กับทุกส่วนภาคส่วนในสังคมที่สุดเนี่ยของสังคมถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนร้ายเป็นคนไม่ดีเขาจะลงโทษลงโทษเราในโลกนี้ติดคุกคุกของโลกนี้กับคุกในโลกหน้านี่มันคนเรื่องกันนะทั้งนี้ในสุรัตยูนุสนี่ยังต้องการให้ คนที่มามาโต้เถียงกับท่านนบีนี่คนที่มาบอกเฮ้นบีได้ไงกุตรานอะไรมาจากอัลลอฮ์ยังไงที่ไหนเป็นไปได้ไงคนนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อในในท่านนบีสุลแลบีก็มีหน้าที่ในการเชิญชวนในการที่จะให้เขาศรัทธาในคําพีศรัทธาในคําสั่งสอนของอัลกุรอานคนที่เถียงกับท่านนบีสุลแลบีก็อะไรอยู่สลึงมีบทบาทในการ ห้ามตัวเองไม่ศรัทธาแล้วก็ยังมีบทบาทในการห้ามคนอื่นเสียด้วยถ้าเขาไม่ศรัทธายิ่งถ้าเป็นระดับแกนนำระดับผู้นำมานะมีที่พลดิไม่ศรัทธาไม่เชื่อนี่นะก็จะมีผู้ตามของเขาผู้อยู่ภายใต้อานัตภายใต้อานัตของเขาเนี่ยที่จะไม่ศรัทธาไปด้วยคุณอ่านในหลายอายะโดยเฉพาะในสุรต ยูนุสเนี่ยก็พยายามที่จะให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลุ่มที่มาเถียงแล้วที่มามาโต้ ก, กันแล้วเนี่ยแต่ไม่ดีผลพยายามที่จะไม่ให้เขามีบทบาทในการต่อต้านท่านนบีสุลต่านเลยทีเดียวสลัมซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสําหรับการทํางานศาสนาทุกยุคทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยนี่ เราจะต้องใช้เวลาในการตอบโต้คนที่ต้องการทำลายชื่อเสียงใช้เวลาเสียเวลาแต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็จบก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่ยังจะมาทำให้เราได้เสียเวลาในการจะมาโต้กับกับตัวเองอีกทีนึ่งนะมันเสียเวลา มันก็มีข้อเสนอถึงบอกว่าในสู้รบยูนุสิเป็นการโต้ตอเป็นการท้าทายโต้เถียงกับกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่มีบทบาทต่อต้านกับท่านหนึ่งต่อต้านท่านนึ่วานกะะบกุลีอมลีวะลูกุมอาเมลุกุมอันตุนบริอุนมิมมะอาเมลุวะอันบริอุมิมมะตะเมลุนละจะบกเขา ปฏิเสธคือไม่ยอมศรัทธาเนี่ยพวกที่เขาชบโตกับท่านนาบีเนี่ยแต่เขาไม่ศรัทธาเจ้าจงกล่าวเถิดอุมหามัดข้อเสนอที่อัลลอ์บอกกับท่านนาบีให้ไปเสนอกับเขาจงกล่าวไปเสนอกับเขาว่าการงานของฉันก็เป็นของฉันเรียอามาลิการงานของฉันนี่ก็เป็นของฉันและการงานของพวกท่านก็เป็นของพวกท่าน ของฉันก็ของฉันของท่านก็ของท่านอันตุมบริอูนมิ ม, มาอามาลุพวกท่านจงปลีกตัวออกจากสิ่งที่ฉันกระทําก็คือสิ่งที่ฉันศรัทธาอย่าเดียพวกเจ้าก็ไม่เอาก็ปลีกตัวออกไปไม่เอาก็ไม่จงเอาวานาบริอุมิมมาตามาลุนแล้วฉันก็จะปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกท่านกระทำคุณคุณ้นไหมเนื้อหาเนี้ยคุณคุณ้นไหมเหมือนโซโลอะไร ลาอบดมะบดนวะแลนตัวอับดุนะมะอับดุวะลนอับดุมาอบดุวะแลนตัวอับดุนมะอับดลักุมดีนุคุวะลีดีนเรามักจะใช่ขยานี้ดังมากนะขยานี้สังคมปรวธรรมใช้ขยานี้บ่อยในจนคนเขาได้ยินน่พี่น้องตัสนี่ก็ได้ยินได้ยินได้ยินองค์การนี่ขยานี้เยอะไง ที่จริงในคุตตานี่อายะคายๆนี้ก็มีอย่างคนคนทั่วไปเนี่ยเขาเาอาจจะไม่คุ้นหรอกเียมาลเนี่ยแทนคาว่าละกุมดีนุกุมวะเลียดีน่ะไม่ใช่นะียามาวะละกุมอามาลูกุมอะไรนะคนะคนลสามโนนม่มีคุเลยอะเลียมาลีวะลกุมมาอมลกุมคุตตานบ่เเนี่ยหัวใหญ่ไม่จูหัวเล็ก หัวเล็กนี่กุ利亚านี่มันก็อยู่ในอัลมาใช่ไหมอัลมาเนี่ยเราคุ้นอยู่แล้วเนี่ยเราอ่านบ่อยเนี่ยแต่เนี่ยอยู่ในสุรยูนัสเนี่ยยังไม่ถึงต้องรอเดี๋ยรอมดอนนุ่นจะค่อยๆว่ากันหลียวมาลีวะแล้กุมามาลุกุมการงานของฉันนี่ก็เป็นของฉันไม่ต้องมายุง่งฉันก็ไม่ได้บังคับพวกท่านวะแล้วกุมามาลุกุมการงานของพวกท่านนี่ก็เป็นของฉันฉันก็จะไม่จะไปยุไม่ไปยุง่งและน บ, บีได้ปฏิบัติ ตามข้อเสนอนี้ตลอดสิบสามปีที่ท่านนบีได้เทศนาที่มะ ก, กาเนี่ยยังตรงไปตรงมาถึงขนาดที่นบีเนี่ยไปละหมาดต่อนหน้ากาบาเนี่ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของของมุสลิมของท่านนบีอยู่แนละ้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกาบาเนี่ยนะมีเจ้าเวดแขวนอยู่สามร้อยกว่าตัวขวนที่กาบาหนะที่กาบะ ไอ้ม่บีไมได้ไ ม, ไ ด, ไมได้ตั้งเป็นเงื่อนไขว่าถ้าท่านจะละหมาดนะมันต้องออกหมดเปล่ามีก็ยังก็ยังละหมาดยังหันกลิบถึงบางคนเขาถามว่าหน่วยราชการนี่ยหลายที่น่นนะเขาก็ไม่มีไม่มีที่ละหมาดให้มุสลิมละหมาดแต่มีคนบางคนวันนี้ละหมาดห้องละหมาดห้องหัวหน้าเนี่ยเขาเห็นว่าเออลูกน้องมุสลิมเนี่ยเขาทางานดีเขาเฮ้ยเอ็เอเอเองไว้ละหมาดนี่นี่ แายในห้องหัวหน้านี่ดีนะปู่ผมอย่างดีมีองค์มีแอร์มีอะไรเนี่ยแต่มันมีของบนเลยดันหยุดดันกิบลัดด้วยแล้วมาดได้มาในห้องเนี่ยอย่าว่าในห้องหัวหน้านะถ้ามันคับขันจริงๆไม่มีที่จริงๆละมาห้องหลวงพ่อนี่แหละไม่มีไม่มีเลย ละหมาห้องหวงพ่อนี่แหละแล้วก็มีจะเจวเตมไปหมดเนี่ยคำขาดมวยละหมาดซ้อมไหมไม่มีที่อ่ะจะมุซ่าได้ไงอ่ะละละหมาดนบีละหมาดซ้อมไหที่นบีละหมาดสิบสามปีเนี่ยโอ้ทนบีที่เป็นละหมาดฟัดดูเนี่ยแล้วก็นบีจะละหมาดสองวักตูนะก่อนก่อนที่จะมีบัญญัติละหมาดเมื่ออิสลามมาเนี่มีห้าวัตูตั้งแต่แรงนะไม่ใช่นะห้าวักตูนี่นู่นก่อนนบีจะอพยพไปมาดีน่านี่ประมาณหกเดือน สิบสองปีกว่าเนี่ยนบีละหมาดเพียงสองวักตูตอนเช้าแล้วก็กลางคืนเช้าแล้วก็กลางคืนสองวกกักตูเท่านั้นบางทศนะบอกว่านบีละหมาดวักตูเดียวเนี้ยแหละคือละหมาดกลางคื น, น, คนเป็นการละหมาดที่วาจิบแต่นั่นไม่หมายว่าเรามีเวลาอือมนนบีก็ละหมาดนบีก็เคยไปหน้าคาบาลก็เป็นละหมาดสูจู มีรายงานนาอบุลูดแล้วกับพวกกุฟาร์นี่เอามูลสัตว์นี่มามายนบนศีรษะานนันบนบีไปละหมาดหน้ากา บ, บ้านเนี่ยแต่ผมกำลังเล่าเรียหมายรวมว่าท่านนาบีสุลตเลาพูดข้อเสนอเนี่ยที่ ท, ท, ที่ที่อัลลอ์เสนอแบบไปบอกเขานี่หมดเรียกาถ้ารวกท่านนี่ไม่ศรัทธาเราคุยกันแล้วโตเถียงกันแล้วเราเสนอต่างคนต่างเสนอแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเนี่ก็โอเค เหลี่ยมมาเรี่ยวแล้กุหมามาลูของการงานของฉันเนียของฉันการงานของพวกท่านนี่ก็อย่าต่อต้านกันลวกันง่ายงายมันเป็นคำที่แบบว่าแต่มันมันไม่หาเบาที่จะเข้าใจได้ไงแต่เป็นเป็นเป็นคำที่แสดงว่าเออมี ม, มีมีแตกกันมีอกหักกันนะ่ะต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมแต่บางทีก็คำนี้ก็ใช้ไม่ได้นะ่ะสองสองคนสามีภรรยา อยู่ด้วยกันอย่างดีเลยรักใครกันหอมที่สุดหวานที่สุดเนี่ยตอน ต, อ น, ตอนช่วงแรกๆกันะหอมที่สุดแล้วก็หวานที่สุดแต่พอเริ่มมีมีอะไรที่มันระคายเคืองระคายเคืองแล้วก็ปล่อยไม่แก้ไขเนี่ยจะยาก็ไม่ยาก ทำไมอะเพราะมันมีอะไรผูกพันไหลแต่เรื่องมีผลประโยชน์โอ้ยมีบ้านที่ซื้อด้วยกันมีอะไรที่ถ้ายานี่เนี่ยหลายอย่างมันจะพังมันก็เลยเป็นทางเลือกของบริบทบริบทที่แย่ในสังคมบ้านเราด้วยเหตุผลด้านกฎหมายเรื่องเรื่องอยาล้างเนี่ยพ อ, อยาแล้วเนี่ยก็มีการแบ่งครึ่งอะไรแต่อีอะไรที่มันเยอะไปหมดนะเอ้ยไม่ต้องอยาแต่ต่างคนต่างอยู่ แต่ข้อเสนอนี้เยอะนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งเป็นข้อเสนอที่ไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีที่จริงในบริบทของหลักการศาสนานี่บริบทนี้เนี่ยสำหรับคนที่รักใคร่กันสําหรับคนที่มีความเหมือนเยอะเนี่ยนะมันไม่ควรที่จะใช่ใช่คํานี้เลียกมาลีวะละกุมะลกุมดีนุกุมอาหมายถึงว่าพระยาสามีบอกว่าไอเราอยู่ด้วยกันไม่ได้งน้นละกุมดีนุกุมว่าเลียดีนนะไม่ได้ ไม่ได้ถึงจะอย่ากันนะหนะย่านี่กล่าวหย่าแล้วนะอิสลามยังบอกว่าต้องมีอิดด่านี่ภรรยานี่ต้องอยู่ในบ้านสามีเนะี่ยไม่ใช่ยาแล้วก็ไ ป, ハハไปอยู่ที่อื่นไปหนีไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ต้องอยู่ในอิดด่านี่ต้องอยู่ในบ้านสามีศา ส, สนาบอกว่าหวังว่าไอ้ที่อยู่ด้วยกันนี่นะไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่สิที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหวังว่าเขาจะคืนดีกันจะได้คืนแล้วก็ไม่อย่ากันละอยู่ด้วยกันดีกว่า อคือหลักศรัทธาคนละเรื่องกันแล้วแล้วก็ไม่ยอมรับแต่ละฝ่ายนี้ไม่ยอมรับไม่ยอมรับในความศรัทธาอ่าก็ต่างคนต่างอยู่หลียวมาลีวัลกุมารมาลูกมุญา h ิ d นี่เป็นยุกตัวอยอินมูญ a h i d มู jahid นี่เป็นลูกศิษอิบนอับบาสละมูกาติลเช่นเดียวกันอัลกลบีนนี้เป็น รุนแรงหน่อยรุนอุลามารุนสลับตารุนแรงรุนแรงเนี่ยไม่ใช่ยุคที่เป่ยนสนี่นี่มุจ اه ิดมุ ت ิลอัลกลบีนี่บอกว่าอายะพวกนี้เนี่ยซึ่งเป็นทศนัส่วนน้อยนะอายะพวกเนี้ยที่ให้ปรนีประนอมกับกุฟาร์กับมุชริกีนน่ยอันนี้มันซูบมันถูกยุเลกไปแล้วถูกยุเลกด้วยอะไรอ่ะถูกยุกลด้วยอายะที่อัลลอบอกว่าให้จีฮาให้ต่อสู้ แต่ถ้าสาราที่ถูกต้องนี่ไม่ใช่อย่างที่เคยบอกนะคําว่ามันสู้เนี่ยอายะที่ถูกยกยกเลิกนี่หมายถึงว่าอายะนี่เนี่ยเนื้อหานี่ถูกยกเลิกไม่มีความหมายแล้วนี่อายะนี่นะเท่ากับอายะนี้เนี่ยมันกลายเป็นของอันติคเป็นของเก่าเอาไปวางไว้ในพิพิธภัณฑ์ถ้าไปดูในกุตตานนี่อายะที่ถูกอ้างว่าถูกยกเลิกยกเลิกโดยสิ้นเชิงนะ จะมีหลายอายะเป็นสิบสิบอายะนี่เป็นเป็ไดาา้หรือเล่าอัลลอฮในประทานกุรอานลงมาลงมาแล้วก็มีหลายสิบอายะเนี่ยเป็นอายะที่ไม่มีไม่มีผลไม่มีบทบาทไม่ต้องใช้กุรอานนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ไปเยว้มองไว้ดูอย่างเดียวอายะนี้แล้วไว้ทําอะไรดูอย่างเดียวไม่ใช่ทุกอายะในกุรอานเนี่ยต้องถูกใช้ถูกใช้หมดเลยแต่คําว่ามันซูกเนี่ย ในไัยะของยุคสลับนี่มันสูกนี่หมายถึงว่าบางเนื้อหาของมันที่อาจจะถูกเข้าใจเนี่ยมันถูกจํากัดความด้วยอายะอื่นอันนี้เนี่ยเป็นไปได้แต่ในในยุคสลับเนยยุค ก, กับเขาเรียกมันสู้เลยมันสู้นี่ถูกยกเลิกแต่เขาไม่ได้หมายรวมว่ายกเลิกทั้งอายะยุคหลังเนี่ยอัลลมายุคหลังโอ้ลลมาอุซูนี่ที่เขาพูดถึงเรื่องเนื้อหาเรื่องการตีความเนี่ยมันเป็นวิชาเฉพาะเลยนะ เขาบอกว่ามันมีเรื่องตักซีสตักซีส่หมายที่ว่าจํากัดเฉพาะบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องอแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าเราจะดีความทัศนาของมูจาฮิตแล้วก็มุกอตินแล้กับกบีให้มันเข้ากับบริบทของกุตัานที่ไม่มีอายาใดๆที่ถูกยกถูกยกเลิกทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่มีและอะไรที่มันถูกจํากัดละตรงเนี้ยที่ถูกจํากัดตรงนี้ก็คือ ถ้ามีพฤติกรรมใดๆของผู้ปฏิสิทธาที่มันส่งผลต่อสังคมที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของมุสลิมนั้นก็จะต้องถูกห้ามเพราะเนื้อหานี่อาย่านี่วะาล้กุมาลงานงานของพวกท่านนี่ก็เป็นของพวกท่านส่วนหนึ่งนั้นน่ะมุสลิมกินเขาทำอะไรอ่ะโสเพนีอินดอกเบี้ย สารพัดเลยแต่ถ้ามาถึงในอาณาจักรอิสลามเนี่มีรัฐอิสลามแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนมานี่นะศาสนาบอกว่าเลียอัมบลีวะลูกุมการงานของพระเจ้าของพวกท่านเนี่ยฉันจะเปิดคาราโอเกะกับพี่หลองฉันนี่อันนี้อันนี้พูดถึงรัฐอิสลามนะฉันจะมาเปิดคาราโอเกะฉันจะมามาเปิดส่องพซฟเฮนียแล้วกับพี่หลองฉันเนี่เยอัมบลีวะลูกุมาลูกุมดีนุกุมวาเลียดีนนี่เงี้นี่เงี้ย ไม่ใช่อันนี้ต้องแยกนะแล้วต้องแยกด้วยวะถ้าเราอยู่ในสังคมที่ไม่สังคมมุสลิมมุสลิมมุสลิมแต่อยู่ในสังคมนี้ไม่สังคมมุสลิมเชน่นเช่นบ้านเรานบริบทของของสังคมของเราเนี่ยมันก็เข้ากับบริบทของสังคมมุสลิมของท่านนาบีมุฮัมมัดสลตละซลัมตอนนี้อยู่มั ก, กะร์เออแล้วมันมีด้วยอะตอนอยู่มา ก, กะร์ก็ใช่ดิ ตอนนบีอยู่มักกะก็มีฮุกกมเฉพาะตอนที่อยู่มา ด, ดีน่าก็มีฮุกม่มเฉพาะแล้วเรารู้ดีนะครับว่าตอนที่ท่านนาบีอยู่มักกะเนี่ยใช้หลักการใช้คําสั่งสอนบางอย่างแต่ตอนไปอยู่มา ด, ดีน่าเนี่ยคำสั่งสอนนั้นก็ถูกจํากัดความบางส่วนทัศ mm hmm. นะ์อุลลามะบางท่านที่ได้บอกว่าที่นบีใช้ในยุคมา ด, ดีน่านี่นะนั่นคือหลักการสุดท้ายเนี่ยก็คือ ต้องเป็นหลักการที่เราจะต้องใช้เสมอไปมุสลิมต่อไปในยุคไหนสมัยไหนเนี่ยนะก็ต้องใช้หลักการของมั ด, ดีนาอย่างเดียวเอาแล้วก็ยุคของมะกาแหละที่อัลลอฮ์ให้ปนีปนอมที่ฮะยืดยุนที่ฮะเนี่ยอันนี้ไม่ใช้แล้วใช้ของมั ด, ดีนาอย่างเดียวเพราะเป็นหลักการช่วงสุดท้ายแล้วของมะกาเนี่ถูกยกเลิกไปทศน า, าะมาศ ว, ว่ามันไม่ใช่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ทําไมอะ เชนไหนเลยท่านนบีที่เป็นนบีทั้งทีเลยนะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ทั้งแต่อัลลอฮ์ Jonas ยังให้ยืดหยุ่นยังให้อลุมอลลอยในหลายเรื่องเพื่อโน้มน้าวเพื่อคือให้ให้เขาเนี่ได้ได้ได้เขาไรกอะไรไ ด, ได้ได้ฝึกฝนตัวเองค่อยคอย่คอยเป็นค่อยค่อยไปขันท่านนบีนะ และคนอื่นที่ไม่มีศักยภาพเหมือนนบีอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีศักยภาพเหมือนนบีไม่มีความสามารถเหมือนนบีแล้วก็ไม่มีคนทํางานเหมือนซาบานเนี่ยเขายิ่งแย่ถ้าเราอยู่ในเราจะไม่สามารถใช้หลักการที่นบีใช้ในยุคที่ท่านนาบีอยู่ที่มักกะอันมีคุณสมบัติของความยืดหยุ่นของความอารมณ์อัลลอยด้วยหรือเป็นไปไม่ได้อิมามอินุเมียได้ พูดถึงเรื่องนี้อย่างดีมากเลยนะครับในฟัตวัวที่ท่านถูกถาม <c oughs> ยุคของท่านนี่ก็เป็นยุคที่รัฐอิสลามก็ไม่ค่คยสมบูรณ์นักในหนังสือมัจรวดฟาตาวาของท่านนี้มาจัยเมียได้ฉายาว่วาเป็นรจุลุลซาบกะอัสรเป็นเป็นอุลามาที่เกิดในยุคที่มายุคของเขาพระฟัตวัวของเขานี่ล้าสมัยล้าหน้า มายอยู่ในยุคที่สีมณับนี่ปกครองทุกพื้นที่มีอยู่ปัญหาหนึ่ง<า>ก็คือปัญหารื่อ ย, อยายาต่อหลักเนี่ยยาใช้คำว่ายาสามนี่นะถ้าสมมติว่ากล่าวยาสามเนี่ยก็ถือว่ายาขาดไปแล้วจบละไม่มีสองสามแลวนะคือจบเลยถ้าเขาบอกว่าฉันยาเธอ สามขาดอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าขาดไปเลยสีมะสับโคฟะตัวอย่างนี้สีมะสับเลยนะเพราะนั้นตอนนั้นนะถ้าใครแบบว่าฟิวขาดฟิวหลุดเนี่ยว่ามโมโหกับภรรยานี่เขาบอกว่าจนยาเธอนี่ยสองพันครั้งอะต่กอกรนู่น น, นี่ยมะสับเนี่ยเาบอกว่าเจ้าไม่ตึงสองพันหรอกสาสามครั้งก็พออันนี้นี่ก็ถือว่าขาดแล้วบางคนนะี่หลุดไง ไปทุกสารทุกมัศปฏ์นี่เขากระฟตาตัวมาพวกไม่ได้ขาดแล้วขาดแล้วนี่หมายถึงว่าในบริบทของหลักการศาสนาตรงนี้เนี่ยก็คือจะคืนดีกับภรรยาไม่ได้แล้วนะภรรยาเขาเนี่ยต้องไปแต่งงานกับคนอื่นด้วยความสมัครใจแล้วก็อย่าจะคนอื่นด้วยความสมัครใจมาชีด้วยกวันเตรียนะ้ยนหน้ามาช่วางแผนหนะ้วาวังแผลไม่ได้นะไปจ้างเขาไม่ได้นะแล้วก็พอพ้นไอ้ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ภรรยาคิด อยากจะกลับนะถ้าคิดว่าเออได้นะกลับได้นะถึงจะกลับได้อันนี้ก็อยา่าขาดขาดระว่าใบนู้นสุกรอก็ราะขาดเล็กขาดเล็กในแบบต้องไปยังกลับได้ถึงแม้ว่าจะต้องต้องขึ้นทางด่วนไปแต่มันมีใบนูนะ้นสุกรอนี่คือขาดเลยขาดแบบกลับไม่ได้เลยมีหลายกรณีแต่ไม่ต้องยกตัวอย่างดูมันจะยาวอลั น, นจะบอกว่าอีมายว่าที่ไม่อุลา คนเดียวพระตวัวบอกว่าไม่เลยยาสาครั้งนี่เท่ากับน1ครั้งเพราะอัลลอในบอกพูดในกุตอานนี่ว่าการยานี่มันคือสามครั้งไม่ใช่อัตละกูมัระาตานีมายนี่ว่าการยานี่2สองมัระาแตนนี่2แล้วก็อีกอีกที่หนึ่งก็คือครั้งสุดท้ายใช่ไห คำว่ามรระนี่เนี่ยถ้าแปลถ้าแปลตรงๆกะนนะมรรานี่คือทีไม่กิ่ครั้งยานี่ต้องสามทีต่างกันไหมฉันยาเธอล้านครั้งก็ถือว่าทีเดียวนี่ยังถือว่าทีหนึ่งถึงจะพูดสามประโยชน์กันนะฉันยาเธอฉันยาเธอฉันยาเธอมันก็ยังถือว่าทีหนึ่งถ้าในมาจิลิสเดียว หมายถึงว่าครั้งหนึ่งทีเดียวนะมาจิลิเดียก็ถือว่าทีเดีย ว, ว, ายวมากกว่านั้นก็บอกว่ายานี่ต้องคืนดีนะถึงจะนับอยาครั้งที่สองถึงจะนี่อิมาไ ม, ม่รู้ใจเนี่ยต้องติดคุกนะเพราะเรื่องนี้ติดคุกนะติดคุกเป็นเดือนเลยนะพอไปฟะตวัวสวนกับทัศนะของศาลศาลชริห า, าตัวนั้นเนะขฟวาฟตัวว่า สามนี่ก็คือสามขัดกฎหมายครอบครัวที่โลกมุสลิมเนี่ยส่วนมากเขาก็ใช้หลักชะริอะชหโลกมุสลิมส่วนมากเนี่ยที่มีกฎหมายใช่กฎหมายครอบครัวนี่นะถึงแม้ว่าประเศนั่นนหะมัซฮาบารก็ดามานะเขาเอาทัศนขติอิมดายเมียก็คือยายาแค่นี้ก็คือหนึ่งตีสองตีสัตถ์ที่ึงอว่าอิเมียเนี่ย ล้ำสมัยมเกิดในยุคที่วชทยุของเขาคือถ้าเขาเกิดในยุคนี้ในป่านนี้เนี่ยเขาเขาจะเป็นน่าจะเป็นมุสตีใหญ่ของโลกอ่ะแต่นี้ไม่ใช่ประเด็นอีมานูเอลีนี่ในหนังสือมาร์ดวลฟะจาวานเนี่ยเขาพูดถึงบริบทมุสลิมส่วนน้อยอยู่หรือมุสลิมส่วนมากก็ได้แต่อยู่ในบริบทการปกครองรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายสลามร้อยเปอร์เซ็นต ท, ทุกเรื่องถึงแม้ว่าผู้ครองเป็นมุสลิมนะรัฐอิสลามเนี่ยใช้กฎหมายอิสลามเหมือนกันนะแต่มีบางอย่างนี่ไม่ใช่มันไม่มันไม่มไมมไมยึดกัรศาสนาชัดเจนในยุคของอิบา ม, มยามีขายเหล้ามีเก็บสวยแค่นณะที่นี่แหละโดยที่ผู้ครองนี่รู้มีเก็บภาษีจากสองโสภินี้ แค่มีสองโซนพินีมันก็ผิดแล้วนะไอ้นี่นไปเก็บภาษีด้วยส ม, ยยยวยมัยใครอะยุคปิเดเตียมิอาพอมีคําถามมาถึงอ้ิเดเตียมิอานี่บอกว่าเขานี่อยู่ในพื้นที่มีพวกครองนี่มีอเม ER ียรมีพว้ครองที่เขาบังคับทําอะไรที่มันผิดหลกักการศาสนาบังคับให้ไปเก็บสวยบังคับให้ทํานู่นทำนี่อะไรที่มันผิดหลกักการศาสนา และเขานี่ในฐานะเขาเขาอาจจะเป็นกำนันเป็นคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของของบองุคคของบ้านเมืองอะนะแต่เขาเป็นแค่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆแล้วก็มาถามอยู่ใจเมียนี่ถ้าฉันถูกสั่งแบบนี้ทำยังไงดีแล้วออกไปเลยไม่เอ า, า่บาปนี้กูไม่ทำหรือฉันจะฝ่าฝืนฝ่าฝืนนี่ก็หมายถึงปฏิเสธไม่ทา อี่าในม่นี่ยให้ทางออกเลยนะซึ่งในยุคนั้นนะ่ะมันมีเหตุอะไรอันตรายหลายอย่างที่ทําให้อีว่าในแม่ต้องมองว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จคือมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะต้องได้ร้อยเปอร์ซนมันจะได้ตามดังใจร้อยเปอร์ซ็นตเป็นไม่ได้อีว่าในแม่กระสินงบอกถ้า แต่ปฏิปนอมกับเขาสั่งสอนเขาเนาสิหัดเตือนเขาจะมีผลก็จะดีที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ล่ะถ้าเขาไม่ยอมอะ่ะถ้าเขารู้ว่าเราไม่ทําตามคําสั่งไม่ทําตามคําสอนเขานี่เขาอาจจะฆ่าเราก็ได้เขาอาจจะเอาคนอื่นมาใช้แล้วก็คนอื่นนี่จะยิ่งแย่กว่าเราอีกล่ะเขาบอกว่าพยายาม ปฏิบัติตามคำสั่งให้เกิดผลเสียหายที่น้อยที่สุดเกิดผลเสียหายที่น้อยที่สุดและพยายามปฏิบัติตามคำสั่งของอิสลามนี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่กระทบกับสภาพที่ทำให้เราสามารถรักษาหลักการให้มากที่สุดคือสมมุติฐานนะว่าคือแต่เขาไม่ แต่เขาไม่อยู่นั่นนะโด ย, โดยคตอื่นมานี่เละตุ่มเบ็ดเลยแล้วก็ถ้าเราอยู่นี่ยังพอที่จะทำเราและคำถามยี่ยงคำถามนี้เกี่ยวกับผู้พิพากษาถ้าเขาพิพากษาตัดสินในบางสิ่งบางอย่างไม่ตรงกับความต้องการของผู้คองมันจะมันจะทให้เขานี่ถูกปลดถ้าถูกปลดแล้วเนี่ย เพราะจะเอาเลือกษาคนอื่นที่ตามใจเขาทุกอย่างเลยอะ่ะแล้วมันจะเกิดความเสียหายมากกว่าอีมอ่มาอินดี้เมียแล้วว่าอย่างอันนี้่งนี้พัตัวนี้เนี่เกือบทุกมอสามเนี่ยเขามีบอ ก, กว่าถ้าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะลดความเสียหายความชั่วของผู้ปกครองให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้อ่ะนะกส็สมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งถึงแม้ว่า มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องความชั่วบางประการเพื่อแลกกับประโยชน์สูงสุดนี้ก็คือลดความชั่วบางประการหรือเพิ่มความดีบางประการซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่มีมาตรการใบตัวนะมันก็อยู่ที่ดุลพินิจแต่ที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของเรานี่ว่า อิมามุตัยมีเนียเล่เหตุผลของอัลอาดุลมักกีและกัลอาดุลมดานีวันนี้ยุคของท่านนบีที่ดาว่าเทศนาที่มักกานี่เราต้องยอมรับว่าท่านนบีไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกทุกอย่างในมักกานี่ท่านทีตอนนบีเทศนาที่มักก้าสิบสาปีนี่ก็ยังมีกินเหล้ายังมียังมีโสเภณียังมีการพนันยังมีดอกเบี้ยนู่นนะพอ ทำฮัจ์อัมลาแล้วก็ขึ้นคุตบาวดานท่านนาบีท่ยุกเลิกนูนยุกเลิกน่นยกเลิกในข้อบสมมวรอัับทั้งหมดยกเลิอกอย่างสิ้นเชิงพอมีอานาจแล้วแต่อํานาจของท่านนาบีที่มกากนี่มันยังไม่ใช่อานาจที่สมบูรณ์อันนี้คือเหตุผลว่าบางทีเราอยู่ในพื้นที่มีทั้งความดีและความชั่วถ้าเราได้ต่อต้านความชั่วนั้น ความดีที่มันมีอยู่เนี่ยมันอาจจะถูกยกเลิกไปด้วยจึงจะเกิดผลลัพธ์สองประการเราอาจจะยกเลิกความชั่วบางส่วนแต่ความดีส่วนอื่นเนี่ยมันอาจจะถูกยกเลิกไปด้วยยกตัวอย่างถ้ามีคนคิดจะมาขายเหล้ามาตั้งขายเหล้าขายกระท่อมขายกัญชาขายอะไรนี่ หน่าสุ้เราไปแจ้งเขตเอ้ยไอคนที่เราไปแจ้งที่มันก็คือคนที่นั่งขายน่าสุ้เรานี่วะคนเดียวกันอือเราไปแจ้งตำรวจดีกว่าเอาไอนี่คนที่ขับรถมาส่งกระทอมนี่ว่าเฮ้ยไม่มีใครไว้ใจได้นะ่ะจัดการเองทอํายังไงเนี่ยยกพวกเลย เรียกบางคนนบางคนนี้ไปไปไปทำลายเลยไปจัดการมันเลยแต่ต้อ ง, ต, องต้องเราต้องรู้ไงว่าว่าพวกค้ายาค้าอะไรนเขาไม่ได้ไอย่ไมได้อยู่คนเดียวเขาไม่ได้ทำงานแบบเขาทำงานเป็นเอเจนต์ไงพอเราไปทำลายแผงเดียวนะแผงค้ายาหรือ แผงเดียวนะเขาก็เลยยกยกทัพทําอะไรอะ่ะมาทําลายซูเราหรือ่เนี่ยนี่แค่ยกตัวอย่างนะทําลายซู่เราหรือใครที่จะเดินเข้าไปสูเราก็จะโดนนู่นโดนนี้ถ้าเราประเมินเราประเมินนะอันนี้แค่สมมตินะมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ได้แต่และพื้นที่ก็ต้องต้องประเมินประเมินนะวะถ้าเราทําแบบนี้นะไอ้เรื่องนี้มันก็จะเกิดขึ้นในยุคนี้มันใครยกยกมากันไง คือถ้าท่านนบีคิดจะไปทําลายเจวิตทั้งหมดเลยเนี่ยชิริกไงท่นบีไม่ได้มีอํานาจอยู่นาการว่าท่านนบีมีอํานาจในบ้านของบ้านท่านบีเนี่ยไม่มีเจวิตแน่นอนคนที่รับอิสลามกับท่านนบีบ้านตัวเองเนี่ยไม่มีเจวิตแน่นอนแต่พื้นที่สาธารณนั้นเขาไม่มีอํานาจแต่พื้นที่ที่เราไม่มีอํานาจนี่แล้วเราเราต้องการยกเลิกสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาแต่มันจะมีผลต่อมานี่ในสิ่งอื่นที่มันจะ เกิดขึ้นนะนะเราต้องประเมินคุ้มไหมถ้าไม่คุ้มนะหลักการศาสนาบอกว่าอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งทำเหตุผลอะไรหลักการศาสนานี่สมัยมักค่าในบีมัคคานบีทำแบบนี้อย่าเพิ่งทำในบีต้องรอหนี่สิบสามปีนะนะรอดาว่านี่เห็นเห็นเจวิตแต่ในบีพูดอย่างเดียวนะนบีไม่ด้ แล้วก็คนที่ค้ายาค้ากัญชาเนี่ยขายหน้าสูเรานะแต่ถ้าเราขึ้นขุดบ่าบอกว่าอย่าดูดกัญชาอย่ า, อ ย, าอย่าดื่มน้ำท่อมเนี่ยเขาเขาไม่สะเทือนเขาไม่ว่าอะไรนะเพราะเขามีวิธีโปรโมตถึงค้าของเขาอยู่แล้วไงนี่เราเราจะมีกลยุทธ์ในการที่จะโน้มน้าวคนไม่ไปซื้ อ, อยังไงเนี่ยโดยที่ไม่ต้องส่งผลเสียหายไรยแรงกับภาพรวมหลายอย่างอนะ นี่นี่จะเป็นศิละปะของเราท่านนาบีใช้วิธีนี้ใช้สิบสามปีนะนะท่านนาบีดาวา่ะแต่ว่าที่มักการนี่มันดูเหมือนผลมันจะนะั้นนบีก็อพยพไปมาดีนะก็ยังไม่ได้ทําลายอะไรนะกาบ้าเนี่ยตอนที่สุลฮานเดียบี้นี่ ส, นสันนิษฐายุติสงครามปีที่เจ็ดฮิจรัษฎากราตนาบีก็ยังอยู่มาดีนะพวกนี้ก็ยังอยู่มักการอยู่นะนบีไม่มีเงื่อนไขว่าต้อง เอาเจาเว็ดลงเรื่องชีริกนี่ตัวยุกเลยก็ยังไม่มีปีที่แปนู่ดพอมีอำนาจแล้วนี่พิชิตมักกะแล้วนี่จ ะ, จะมีถึงจะทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วคนที่ไปทําลายเจเว็ดนี่ก็มาฉีดม่ฉีดตัวท่านนาบีคือคนดิบชาวมักกะเองนี่แหละก็หมายถึงว่าเจ้าของเมืองนี่แหละแต่เขาเปลี่ยนความเชื่อแล้วดีที่สุดนี่นะครับ แทนี้จะไปทำลายแผงกัญชายาเสพติดนี่นะเราต้องทำงานดาวะแบบมีคุณภาพอะ่ะจนกระจ้องให้คนที่ขายานี่นะทำลายแผงขายาด้วยตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ท่านตดีได้ประสบความสำเร็จ mm hmm. การดื่มเหล้านี่สมัยสมัยยุคยุคอาหรับเนี่นะเขาเาดื่มเลาดื่มเหล้าเหมือนน้ำ ส่วนมากนี่ น, น, น้ําน้ําในคาบสมุทรธมเนี่เป็นเป็นน้าที่วิตดมาจากบ่อบ่อนนะบ่อน้ําส่วนมากนี่จะก่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสะอาดดีแต่มันไม่ไม่ค่อยมันมั น, ม, นมันไม่จืดนะมันจะมันจะก่อยนิดทํำยังไงอะ่ะเอาอิมพัลล์์มมาแช่มันจะได้หักมันจะได้หวานนิดนิดใช่ไหมอิมพลัลลรมนี่มาแช่ นี่แช่สองชั่วโมงนี่มันเป็นไรเรามันก็หวานจริงนี่มันแช่วันข้ามวันข้ามคืนแล้วอะนะเริ่มมีฟองแล้วไงแช่วันที่สามวันที่สีเนยเริ่มซ่าแล้วกลายเป็นเล้าพอเขากินแล้วเนี่ยเอออร่อยเฮ่อร่อยเว่ยอร่อยดิก็เลยก็กินเล่ากันว่าเล่นเลยเนี่ยทุกคนนี่ก็มีตุ่มเนี่ยวิวตน้ำเนี่ยมาใส่ตุ่มแล้วมีอิพัลล์ก็มาแช่อิมพลํา ทุกบ้านนี่ก็ต้องมีมีตุ่มมีมีอะไรที่มีมีอ่างที่เก็บเก็บน้ําไว้ในกินแต่พอเลิกเด็ดขาดนะหนึ่งใคร ท, ครที่ใครที่ตะเวนนบีไม่ได้ตั้งตํารวจให้ไปทุกบ้านเจอใครมีอ่างที่ไหนเนี่ยทุบอ่างเลยนะไม่ใครใครที well? ่ทุบเองอ่ะเจ้าของเจ้ของบ้านแต่ละคนแพลนตุมมุนตะห่นจะเลิกกันไหมเลิกครับเลิกครับนบีทุกคนกลับบ้านแล้วก็ทุบ ทนี่ถึงขนาดที่น้ำทุบน่ะ ไ, ไม่ไม่น้น้ำมันไหลทั้งบนเนี่ยกว่าจนกระทั่งถนนซอยตอกที่มาดี น, น้่นเี่เต็มไปด้วยเหล้าบ้านเรานี่ถ้าให้ด้านไอ้บาเวียขายเหล้านี่ถ้าเทนผมก็ไม่ท่วมอะบ้านเราก็ไม่ท่วมนี่แต่กอนสแต่กอนขนาดไหนอะเหล้าขนาดขนาดไหนอะ เยอะนะกินเล่าเยอะนะแต่นาบีประสงคความสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องเก่งหรอกเอาบุรี่เอาซองบุลชิชผมเลิกสะใจชีกบุรีเหมือนเจวิดไงเจวิตนี้มันก็คือรูปธรรมที่มันอยู่ภายนอกแต่จริงๆนี่มันมีทุกคนอย่มันมีเจว็ดอยู่ในหัวใจมีบุรีอยู่ในหัวใจมันมีสิ่งเสพติดอยู่ในมันมีเล่าอยู่ในหัวใจมันมีเรื่องนู่นเรื่องนี้อยู่ในหัวใจหมด นบีไม่ได้เสียเวลาที่ไปจะไปทุบอ่างไปเล่าไปทำลาย <c oughs> สิ่งเสพติดไม่นบีมุ่งไปชำระไปซักฟอกหัวใจของมนุษย์นี่นี่นี่คือผลงานของท่านนบีแต่มันมีส่วนหนึ่งที่เราต้องมีความชัดเจนเหมือนท่านนบีที่ชัดเจนในยุคมักกะเพราะนบีอัลลอ์บอกกับท่านนบี บ ن ت م ب ر ي ء و ن مما أعمل ม أ ن ا ب ر ي ء مما تعملون เพราะท่านจงปลีกตัวออกจากสิ่งที่ฉันกระทำเพราะไม่เอาเนี่ยพราท่านานั้นไม่เอายืนียนโนไม่เอาทั้งนั้นนี่เป็นเป็นข้อเสนอของพวกมุชริกนที่มักกะเนี่ยพอเขาเห็นท่านนาบีประสบความสําเร็จในการเผยแพร่ศา ส, สนาอิสลามแล้วก็มีคนตามเยอะเนี่ย าถ้าเอเป็นแบบนี้ถ้าตามอัตรานี้นะนะหมดแน่หมดไม่เหลือเลยเขาไปเขาไปเสนอกับท่านนายวิวว่าเอาอย่างนี้ไหมโอ้ม u h a m m a d เอาอย่างนี้ท่านก็มาบูชาเจวิตของเราปีหนึ่งกากบุดูอลฮะเตนะเซนตัแล้วเราก็จะสักการะพระเจ้าของท่านเนี่ยปีหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกัน นี่เป็นข้อเสนอของเขาและนี่คือเหตุผลที่เกิดอันนี้โอนามาเขาบอกว่านี่สรบุญรุ่งเรือเหตุผลที่สุรอัลกา้าเปรุ่นถูกประทานลงมาที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าละกุมดีนุกุมวหลียดีนเนี่ยหมายถึงว่าเข้ามาเสนอนบีเนี่ยให้ดีนเนี่ยให้ศาสนานี่นะมันแบ่งกันคนละปีไงเอาศาสนาอิสลามเรามานับถือปีนึงแล้วก็ศาสนาบูชาจเจวตเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดนี่ไปนับถือปีนึง พัดกันนายเียร์ก็บอกว่าไม่ไม่มีข้อเสนอื่นและกลูมดีนะกูมของท่านเนี่ยกงท่านเป็นเอาไปเลยแล้วของฉันนี่ก็ของฉันความชัดเจนเนี่ยมันยังคงต้องมีหมายถึงว่าถ้ามันถึงขั้นดีเราจะต้องประนีประนอมนี่หมายถึงว่าให้เขาทําอะไรของเขาโดยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะนั้นไม่ได้หมายรวมว่าให้เราเนี่ยให้เราเนี่ย ไปทําเหมือนเขาจะได้เอาใจเขาโน้มน้าวให้เขาเนี่ยศรัทธาอย่เช่นาบางคนบอบังเมื่อคืนไปคาราโอเกะไปทําอะไรเห็นบางเลยถือขวดเหล้า อ, อ๋ผมไปด่าว่าเขาเพราะเธอไม่เหมือนไม่ทําเหมือนเขาไม่ดื่มเหมือนเขาเนี่ผมผมเข้าสังคมไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วที่ต้องพูดแบบนี้เนี่ยเพราะมีมันมี มันมีบางคนอีกคิดว่าต้องต้องกลมกลืนเลสมมติว่าจะไปจะไปดาวะเยาวาชนโอ๊ยเด็กหล่อๆเนี่ยเขเดี๋ดยวก็ทำทรงผมเขาเ ข, ขาโกนเขาเขาตๆถ้าเราใส่โต๊ใส่บวกใส่อะไรแบบนี้นี่มาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วเขาคงไม่ฟังเอาทำยังไงอ่ะเราก็ต้องไปตัดผมไม่เข้าทรงเ็ ทรงเกาหลีหน่อยนะเกาหลีหน่อยแล้วก็ไอเขาแบบนี้เนี่ยเขาเขาาไม่ชอบไงว่าดูเรื่องเขาเนี่ยว่าดูดูเหมือนอะไรอะไรเพื่อชีวิตอะไรสักอย่างหนึง่งเขาเขาไม่ชอบรุ่นใหม่เขาไม่ชอบไงรุ่นใหม่มาทางเกาหลีหน่อยนะเกาหลีมันก็ต้องเกี้ยงเกี้ยงเลเกี้ยงแล้วก็ต้องปับปับเนี่ยแสดงว่าเราคิดเราเชื่อว่าเร่งฮีดาย่านี่มันจะมาจากทรงผมทรงเขา เออหรือมาจะกี่หอคีมคิมท่านะ้าไม่ใช่เลยหิรดาเนี่ของใครขออัลลอฮ Allah, น์นี่เองจะไปในท่าหนก็ตานี่ไปในท่าจริงตกนี่ถ้าอัลลอฮ์ให้มีหิรดาเนี่มันก็จะเกิดขึ้นแต่มันอยู่ที่ว่าเร า, เราเครื่องมือที่เราจะใช้คุยเขาเนี่ยมันคืออะไรถ้าเครื่องมือนี่ก็หมายถึงว่าเราต้องเฮ้ยไปเนี่ยก็ต้องหลอ่อไม่ไม่แพ้เขานะ ไปเนี่ยไปเ น, นี่ยไปดาวะเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยอ่าเช่นทําอะไรอะ่ะเออถ้าเขา้าเข า, าพูดเรื่องหนังอะไรสักอย่างเนี่ยดูเราต้องดูหนังนะั่นต้องดูให้ดีนะเพราะถยาเขาเปิดประเด็นเรื่องหนังนี่เราไม่รู้เนะี่ยดูด่าวะเขาไม่ได้มันจะกลายเป็นหนึ่งเงินอะ่ะมันไม่ใช่แล้วไงไม่ใช่ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในยุคมา ก, การ์เนี่ยเราต้องมีความชัดเจนในการปลีกตัวแบรีอูนะมิมาวะอันนะบรีอุนมิมาตามาลูนฉันก็ปลีกตัวจากที่พวกท่านทำต้องมีความชัดเจนมุสลิมถึงแม้ว่าอยู่ในสังคมที่ส่วนมากเขากินเหล้ามุสลิมไม่กินเหล้าอยู่ในสังคมส่วนมากเขามีพฤติกรรมแต่เขาไม่ทําพฤติกรรมแบบมุสลิมต้องชัดเจนและต้องไม่อายนะว่าเป็นมุสลิมไม่อายเราเร า, เราปรากฏ เราปรากฏในพื้นที่ถ้าเรามันเคยเกิดขึ้นในบ้านเราในยุคหนึ่งนทะำกุมม๊มุสลิมมุสลิมคดกฎหมายบ้านเมืองระเบียบอะไรนี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะบ้านเราถึงขั้นนี้บางยุคนี่ถ้าใครจะทำงานราชการเนี่ยชื่อเป็นชื่อมุสลิมไม่ได้ทุกวันนี้นะถ้าถ้ามีบางคนนี่ยอยากจะแบบว่าจะขึ้นสูงหน่อยนี่นะจะเป็นชื่ออิสลามอย่างเงี้ยผ่านยากบางตาแหน่งนะไม่ใช่ทุกตำแหน่ง แต่เดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่แล้บ้านเราเซติเสริภาพเนี่มันเต็มที่แล้วเราต้องชใช้เนี่ยมานี่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่เราอยู่ที่เราอยู่ในประเทศที่มุสลิมแสดงออกดีกว่าประเทศมุสลิมแท้ๆเลยรู้ไหมออกดาวา น, นี่นะออกดาวา น, นีะ ประเทศมุสลิมบางประเทศเนี่ยเอาว่าประเทศประเทศดังๆอะ่ะประเทศที่แบบมุสลิมจะจ๋าเลยนะออกดังว่าเนี่ยต้องไปในงานตัวความมั่นคงก่อนนะในประเทศมุสลิมจะออกไปมัสชิดนี่ยจะบอกคนให้มาละมาเนี่ยนะต้องไปในงานตัวความมั่นคงนะเฮ้ยดล้ว่าบ้านเรามีไหม แบบเรานี่ที่จะไปออกด่าวันนี้ตามวัดนี่ก็ก็ไม่ว่าเลยด่าว่าตามวัดนี่ก็ไม่ว่าเลยนะอันนี้พูดอันนี้พูดพูดด้วยความสัตย์จริงนะแล้วมีบางคนเนี่ยโกรธผมนี่พูดยังไงเพราะก็ประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่อิสลามมากกว่าแหล่งมากกว่าประเทศที่เป็นแหล่งของอิสลามที่อิสลามออกมาจากนั้นนะตอนนี้เนี่ยอิสลามเผยแพร่อิสลามเนี่ยเมืองไทยเนี่ย เผยแอิสลามง่ายกว่าประเทศนั้นไม่อยากจะเอ่ยชื่อดูประเทศไทยนี่อยากจะใส่หมวกปาเลสไตน์ของพันคอปาเลสไตน์ใส่ใเข็มขัดนิปาเลสไตน์โอ้โห و, ได้เลยออกทีวีไปไหนไปประชุมนีรทำได้หมดเลยพูดได้เลยนี่สนับสนุนกันพูดเลยว่าฉันนี่สนับสนุนฮามาสพูดไปเลยไม่มีใครมายุ่งหรอกบางประเทศ เข้ามาซิดฮารอมเนี่ยใส่ผ้าพันคอนี่นะถูกอุ้มไปเลยเนียเรียกไม่ได้ใส่เสื้อนี่นะเสื้อนี่ปาลิสตานี่นะอยู่ข้างเคียงปาลิสตานถูกเรียกเลย <c oughs> คุณใส่เสื้อแสดงออก <c oughs> ทำไมอ่ะบอกว่ามาซิดฮารอมนี่ไว้ทำอิบาด้าอย่างเดียวไม่ไม่ต้องไม่ต้องโตอะไรมากเรากเดนิสตาเดนี้มันให้เห็นไงถ้าเราอยู่ในประเทศที่เราสามารถ พูดความจริงได้อะไรได้เรารักษาเรื่องนี้ไว้นะอย่าไปฟุ่มเฟื่อยในการแสดงแสดงความเป็นมุสลิมแบบเละเอะเทอะอันที่จะนำมาความเสียหายกับเรื่องที่มันมันไปด้วยดีอยู่แล้วและสิ่งที่เราต้องรักษาให้ที่มันไปดีอยู่แล้วนี่ก็คือการที่คนอื่นนี่เขามองมุสลิมในแง่ดี มันเป็นส่วนหนึ่งของกุญแจที่สามารถเปิดประตูหัวใจของผู้คนให้ใหอิสลามเข้าหัวใจของเขาได้แต่ถ้าเราไปทำอะไรที่ทำให้เขาเพราะคนส่วนมากคนส่วนมากเนี่ยเหมือนเป็นผู้รับเหมาไงคนส่วนมากเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรปิกๆนะไม่ชอบหรอกเหมาเลยเหมาเลยเวลามีส่วนหนึ่งเ็าทำอะไรเนี่ยเขาเหมามุสลิมทั้งหมดเลย ถ้ามองหนึงน่งมุสลิมหนึ่งแง่ไม่ดีนี่นะล็อกหัวใจแล้วนะเอาล็อกล็อ ก, กปักหัวใจกว่าจะเปิดหัวใจเอาอิสลามเขาอีกทีหนึ่งนะโอ้ตรงใช้เวลาแล้วเราจะเป็นแบบนี้ตลอดพอจะเปิดละเปิดหัวใจชาวบ้านแล้ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทําให้คนเขาล็อกอีกแล้วเก็ต้องานังหากุญแจเปิดอีกทีนึงกว่าจะเปิดได้อีกทีนึงอันนี้ก็ฝาก พวกเราไว้นะครับผมผมไปมาเยอะแล้วนะประเทศไปมาเยอะเจอมาเยอะไม่ได้พูดเขาข้างเพราะเราเป็นคนไทยเป็นคนถือสัญชาติไทยนะพี่น้องมุสลิมบางคนแม้กระทั่งประเทศมุสลิมเพื่อนบ้านนะเทศมาเลบุไน ตีมุสลิมเนะแต่แบบนมุสลิมลเราแบนี้แทบฝนนี่ ม, มาสอนตั้งซีรแบบนี้นมันสอนไม่ได้นะสอนไม่ได้ไไดแบบนี้นะ่ยสอนไม่ได้ผมต้องมีบัตรต้องมีมีบัตรแล้วต้องผ่านสอบกระทรวงต้องอุด อ, อะไรเยอะแยะแล้วถ้าคุณขุดบา้านนี่มันมีเงื่อนไขนะขุดบา้าต้องพูดอะไรต้องอะไรต้องขอด้วยให้ใครนะมีเงื่อนไข เยอะไป่หมดเลยมีประเทศพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ต้องไปถึงมัจิทารอมด้วยนะ เ, นะเพื่อนบ้านแค่นี้มันเป็นตัวอย่างให้เห็นมีนักเคลื่อนไหวที่มาเลียเนี่ยเข้ามาแต่ก่อนทุกเข้ามาดูงานที่ไว้เนี่ยเขาบอกโอ้โหไวเชเนลเนี่ยพวกคุณเนี่ยเขาตอนนั้นไวเชเนลไม่มีอะไรแทบไม่เนี่ยเขาบอกก็พวกคุณแทบไม่มีอะไรเลยแต่พวกคุณทําทําทุกอย่างเลยอะ ผมก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องระบบระบบมากกว่าเพราะด้ า, าว่ามีทุกอย่างแต่ทาอะไรไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามีปัญหาในระบบคนอยากจะทำแต่ทําไม่ได้ดูไกลนูน่นดูไกลนี่ดูไกลถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องสิทธิเสรีภาพสําคัญที่สุดคนจะศรัทธาเนี่ยต้องมีสิทธิถ้าไม่มีสิทธิเสรีภาพเนี่ยรลู้กบังคับมาเป็นเผด็จการน่ะเขาจะศรัทธาด้วยความสมัครใจไหมอาจจะไม่ได้ เชคร์โดวีนี่ก็เคยบอกมีคนบอกว่าแต่ให้ ต, ต้องมาก่อนอกักขิณาต้องมาก่อนดีนดีนบ่อยใช่ไหมอักขิณาต้องมาก่อนเชคอร์โดก็ไม่ใช่สิทธิเสรีภาพต้องมาก่อนโอ้โหโดนโจมดีเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ต้องมีหลักการศาสนามารองรับนะศึกษาประวัติของท่านนาบีสิสิ่งแรกที่ท่านนาบีต้องการให้คน ให้คนได้มีสิทธิในการศรัทธาในเรื่องเสรีภาพถ้าไม่มีเสรีภาพอยู่ที่มักกะเนี่ยน บ, บีดาว่าแค่ไหนนี่นะก็จะถูกรังแกถูกโจมตีคนก็ไม่กล้าเปิดเผยแต่พอไปมาดีไนดนน้ไงได้แล้วสิทธิเสรีภาพศรัทธานคนรูนาีดีอะไรวกจะคนก็มารับอิสลามเป็นฝูงเลยเขามีสิทธิเสรีภาพมีเสรีภาพอคิดอะไรมาก่อนใช่แต่ไม่ใช่ว่ามันก็อยู่อยู่แบบ น่ยังอยู่ที่ประเทศอียิปต์ยังซาอุดีอย่างเงี้ยผล็จการ อ, อาคิด้ามาก่อนการอาคิด้าแบบตามขนาดนะตามไส้์ไงตามไส้ที่ต้องการก็คือละมาดเออแ ต, แ, ตแต่จะพูดเรื่อง น, ะอ น, นั้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะอาคิด้เหมือนกันนะนะแต่ไม่ได้มันอาคิด้าตามขนาดตามไซ้ อกีด้านนี่มันไซของใครอะไซด์ไซของระบบการปกครองหรืออาคีด้าตามใช้ที่ตัวฮันให้มาที่อัลลอฮ์ให้มาอ็สสลกับลาละนะเบี้ยนะมุฮัมมัดดินวะลออุสซาดอัลามมีคำถามไหมวิชาทางโลกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเนี่ยอันนี้ไม่ไม่เป็นนะวิชาทางโลกนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้ศึกษาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของศาสนาเคมีนี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของศาสนา นะแต่เป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยส่งเสริมให้เราได้ขนขวาย่ใช่ต้องศึกษาวิชาโลกไหมบางอย่างเนี่ยเป็นฟอตโตอินต้องต้องศึกษาเหมือนกันไม่ศึกษาไม่ได้เช่นอะไรเกี่ยวกับศาสตร์ความรู้ทางโลก ที่จะดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยชีวิตของเราอันนั้นต้องต้องเรียนรู้เราะยังไงก็ต้องเรียนรู้เราจะต้องประกอบอาชีพเกษตรแต่ขาดวิชาที่จะทำให้เรานี่ทาเกษตรถูกต้องทําเกษตรแบบไม่ถูกวิชาชีพเนี่ยมันก็เสียหายศา ส, สนาไม่อนุญาตให้เราได้ไดไ ด, ได้ทำลายทรัพ ส, ส, สมบัติของเราแบบง่ายๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้ จึงวา่ายิบต้องศึกษาศาสตร์ที่ทำให้เราดำรงซึ่งวิชาชีพไรายได้ที่มั่นคงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็นนะความรู้ทางโลกบางอย่างก็อาจจะเป็นฟรดูกีไฟอะ <c oughs> ไม่ได่จำเป็นมากนะแต่จำเป็นสำหรับสังคมโดยรวมเช็นแพท <c oughs> ถึงขั้นเดียวเลมาบอกว่า อชาชีพบางอย่างถ้าถ้าไม่มีนะสังคมก็อยู่ไม่ได้ช่างตัดผมเองตัดผมเป็นทุกคนในสังคมต้องเรียนตัดผม嘛ไม่แต่ต้องมีบางส่วนต้องต้องเรียนตัดผมต้องเรียนฟอรดูกีไฟอาสำหรับสังคมต้องมีบางส่วนต้องเรียนแล้วคนที่ไปเรียน ấy, ก็จะเป็นฟรอนร์ดูกีไฟอาหรับเขาละแม้กระทั่งตัดผมนะก็เป็นฟอรดูกาาีไฟอา อย่างนี้เป็นต้นและเทียบเลยเลยเรื่องอื่นด้วยสะวะกรรมบริหารบัญชีชทั้งหมดเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสถานการณ์ไหนควรใช้การประนีประนอมหรือว่าสถานการณ์ไหนควรใช้ความเอ่ค ว, ความเด็ดขาดในการตัดสินแล้วก็ในเรื่องของผู้รู้ที่มีความขัดแย้งกันในสถานการณ์เดียวกันครับเช่นในการในสงคราม ที่กาซาอย่างเนี้ยก็มีผู้รู้ที่บอกว่าให้ปณีประงก็มีผู้รู้ที่บอกว่าต้องมีความเดือดขาดแตบบ่สถานการณ์เดียวกันแบบเนี้ยพอความเห็ น, นมันต่างกันบางเรื่องบางเรื่อง <c oughs> บางเรื่องนี้นะเราก็รู้เองอ่ะรู้เองเราเราขึ้นรถบัสรถเมย์อย่างนี้ยขึ้นรถเมย์แล้วก็เห็นอะไรที่มันไม่ดีเช่นเห็นคน กำลังบุลลี่เรานาะบุลลี่ผู้หญิงแล้วก็ถือปืนอยู่เราก็ประเมินเองเราจะเข้าไปช่วยถ้าจะไปช่วยเราจะสู้ได้ไหมอาจจะต้องถึงขัน้นที่ต้องเสียชีวิตอะไรแบบ น, นี้อันนี้ไม่ต้องเชผมกําลังเจอมันผมจะทำยังไงดีไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเรามีสัญชาตญาณพื้นฐานสามารถที่จะที่จะตัดสินใจเองว่าจะเอาแบบ ขั้นเด็ดขาดด้วยเราประเมินเองได้ไม่ต้องมีคนมาประเมินให้แต่บางเรื่องนี่พอมันขยายวงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อันนั้นเราไม่มีโดยเฉพาะถ้ามันเป็นวงกว้างไงยิ่งกว้างมากเนี่ยเราเราจะตัดสินใจเองไม่ได้ถ้ามีผลกระทบกับคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีส่วนรู้อย่างเช่นของกาซ่าเนี่ยของกาซ่านี่นะเจสิปีละปัญหาของกาซ่าของบาลินซาเจ็ิปีละพิสูจน์แล้วนะว่าโลกอาณบริเโลกมุสลิมเนี่ยไม่มีใครเอาไหนหรอก รวมถึงผู้รู้ที่เขาอกว่ามันเป็นปณิปนามเนี่ยไอ้พวกก็ไม่เคยเอาไหนหรอกแต่ชาวปาเลสตาเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าเขาจะสู้เนี่ยในเรื่องเขาเขาตัดสินใจจะสู้เราก็ต้องสนับสนุนเขาถ้าเราจะไปสู้กับเขาก็เชิญถ้าไม่สู้กับเขาเนี่ยก็ขอด่วนให้เขาแต่เขาบอกว่าเราสู้ไม่ไหวเราอยากจะปณิปนอมนี่ก็เป็นเรื่องของท่านเนี่ยเราก็ส่งกําลังใจให้เรานี่อยู่นอกบริบท ไอผู้รู้ทั้งหลายนี่นะมันอยู่นอกกรอบอยู่นอกขอบเขตของปัญหาเขาไม่เคยมีส่วนร่วมในปัญหามายุ่งทําไมอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะบางเรื่องเนี่ยเราไม่เราไม่เกี่ยวเราไม่เราไม่ดิเราไม่มีส่วนอะไรเกี่ยวข้องอ่ะไม่ได้ช่วยเขาเขาก็ไม่ได้ช่วยดูอาก็ไม่ได้ดูอาร์เขาแล้วจะมาพูดอะไรปณิปนอมทำไมนุ๊ผู้รู้นี่เขาไม่เคยแบบ ประวัติงเขาสักวันหนึ่งเขาไม่เคยทําอะไรให้เแล้วก็อยู่ดีๆเขาบอกว่าให้ปฏิปัตินอมหรืคุณเป็นใครอ่ะคุณเป็นใครเจ้าตัวเองอ่ะเจ้าของแผ่นดินเขาเขาตัดสินใจว่าวจะสู้เขาบุญที่สุดนี่ที่คุณจะทําทนี่นะก็ส่งกําลังใจซะสนับโุน่าไม่ได้เนี่ยนะบุญที่สุดนี่นะครับก็คือหูปากแล้วก็นิ่งเฉยซะนี่คือนี่คือคนที่มีคุณธรรมขั้นสูงแล้วนะหูปากนี่คือคุณธรรมขั้นสูงแล้ว สำหรับคนนี้ทำอะไรไม่ได้แต่คนนี้อยากทำอะไรได้มากกว่านั้นนั้นโอ้โหนั้นอันนั้นสุดยอดแล้วดูอาจะบริจาคจะไปจะไปสู้ไปช่วยเขาสู้เท่าที่ทำได้แต่นี่ยังจะมาเสนอตัวเป็นเป็นคนเสนอทางออกแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรเา้าจบวันประสูตรเนี่ยในประเพณีของยุคสลับเนี่ยเข้าใจกันด้วยตัวบทว่า เป็นวันที่มีความประเสริฐไม่แพ้เดือนรอมฎอนอย่างขนาที่ท่านนบีเองสุลอ่านเลวซัลเลมได้บอกว่าอายามุลอาชริเขยรู้อายามิดดุนีย์ซีบุันนันประเสริฐใของสุนฮัจญะเป็นซีบุันที่ประเสริฐที่สุดของโลกดุนย์ก็หมายถึงว่าทั้งปีประเสริฐกว่าทั้งปีซึ่งเป็นทศระของอุลามาหลายท่านว่าซีบุันอันประเสริฐเนี่ยประเสริฐกว่าเดือนรอมฎอนประเสริกว่าเดือนรอมฎอน อันนี้คือเหตุผลว่าทําไมมุสลิมมีอีดมีวันเฉลิมฉลองอีดของมุสลิมเนี่ยมันจะเป็นวันปิดปิดงานทําไมบาร์ดะเดอร์มัอตอนสามสวันอีดเล็กปิดงานเอรมัดอนแข็งหน่อยบาร์ดะอีดใหญ่ละปิดงานสิบวันอันประเสริฐเห็นคนนี้ไม่ดีถือสิ้นอดเดอร์มัดอนไม่ดีขยันทําไมบาร์ดะเดอร์มัดอนจะอีทําไมอะสิบวันอันประเสริฐไม่ขยันทําไมบาร์ดะ จะอีททำไมละ่ะที่กำลังบอกว่าฉเฉลิมฉลองของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่แคด่ดีใจอย่างเดียวดีใจเพราะอัลลอ์เตาฟีกสนับสนุนให้ทำความดีก็เชิญชวนให้พวกเราได้ขยันกันทำความดีถ้าไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็เลือกไอบาดาสักอย่างหนึ่งขยันไว้ในสิบวันอ่านอุษานสิกุลลอละหมาดียามุลเลลถือสิ้นอดสามารถถือสิ้นอดได้ 9วันนะวันที่สิบเนี่ยือไม่ได้เพราะเป็นวันอีกหรือทำอะไรที่เราถนัดทำแต่ว่าคนอื่นตั้งเป็นโครงการเลยนะในสิบวันนี้จะทำให้คนที่ไม่ละหมาดสักสิบคนให้เขาละหมา ด, ดว่าให้คนที่ไม่รู้จักอัลล์เนี่ยให้รู้จักอัลลอ์อะไรแบบนี้หวังว่าถ้าเราได้ทำความดีใน ที่สการประสบนี้เราก็จะได้ผลลบนิยงทวีคูณนะครับอินชาอัลล سبحان ك ลลอฮฺมัลลิฮัมดิลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺเร و สักรุกัสตูบุไลก์วาสุลตานะบิณณ์มุฮัมมัดวะลาลิซิสลลามุอะลัยกุมรมต